ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชชาเรื่องทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2526ที่วิทยาลัยครูจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ อาจจะเริธรรมทุกทุกคนที่นั่งฟังหรือผู้ใดจะพึงได้ยินเสียงนี้ด้วยวิธีใดก็ตามาตั้งใจฟังธรแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันไว้ชัดเจนว่าเอเสวมคโคนัฏัญโยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นทัศนัตส วิสุทธิยาที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะเอตันหิตุมเหปฏิปัชฉะพวกเธอจงเดินตามทางนี้เถิดมารัตเซตังปโมหนังทางสายนี้พระยามารมัก เดินหลงเสมอถ้ารวมความแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ดเป็นผู้ที่สอนอย่างที่มีคนเคยพูดกันว่าทางที่จะเดินไปสู่ทัศนวิเศษหรือไปสู่ความบริสุทธิ์วิสุทธิยาที่สุดนั้นนหะ เดินไปได้หลายทางเราเคยได้ยินว่าอย่างนั้นก็ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านค้นพบทางทางเดินมีทางเดียวท่านสรุปรวมเรียกต้นท่านเรียกว่าสติปัฏฐานหรือเรียกว่าเอกยนมาคโค มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเป็นทางเอกเป็นทางที่จะไปถึงที่สุดแต่พวกเราก็เอาทิฏฐิความเห็นของตัวเองเข้ามาประกอบเพราะมันมีความแปลกอยู่นิดนึงคือแปลกแตกต่างมีความแปลกแตกต่างกันในบุคคลแล้วก็เลยคิดว่าความแปลกแตกต่างนั้น ที่ไม่ลงตัวกันเป๊ะเลยทีเดียวเป็นความคนละทางเป็นเรื่องของคนละทางเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นแท้จริงไม่ใช่เรื่องของคนละทางถ้าผู้ใดจะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วมีทางเดียวแต่ว่าปฏิบัติไม่ตรงลงตัวกันเป๊ะเป๊ะมันมีการแปลกกันบ้างความแปลกกันบ้าง ไม่ใช่คนละทางความแปลกกันบ้างอันเกิดมาจากจริตเกิดมาจากบุญเกิดมาจากขั้นตอนของแต่ละบุคคลต้องทําเป็นเบื้องต้นบ้างกลางบ้างปลายบ้างเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังทำหยาบอยู่บางคนก็ทําละเอียดขึ้นบางคนก็ละเอียดขึ้นไปอีกบางคนก็ละเอียดขึ้นไปอีกสูงต่าต่างกันหรือจริตต่างกัน บางคนมีแกนจริตเป็นแกนราคะมีราคะมากมีโลภมากมีความติดยึดมากอาจจะต้องใช้กรรมวิธีอย่างนั้นอย่างนี้เน้นแรงหนักต้องมีกรรมวิธีขัดเกลาต้องปฏิบัติอะไรต่ออะไรจัดจัดจ้านก็ได้ บางคนโทสะจัดมีจริต์โทสะแรงก็ต้องปฏิบัติดังแรงอีกเหมือนกันแล้วก็เน้นไปต่างกันราคะอย่างหนึง่งโทสะอย่างหนึง่งก็ปฏิบัติทวงกันไปคนละด้านคนหนึ่งโทสะโทสานี้เป็นการตีผลักตีแตกตีห่าง ส่วนราคะเป็นการดูดเป็นการดึงดูดเป็นการรวบเอามาก็ต้องตีให้แตกส่วนโทสะตีแตกก็ต้องรวมเข้าไว้เพราะาผู้ใดมีจริตเป็นโทสะก็ต้องมีแนวโน้มไปในทางดึงรวมเข้ามาคนใดมีคนใ ด, ม, นดมีจริตไปในทางราคะหรือโลภได้แต่รวมเอารวบเอาเกาะกลุมไว้ก็ต้องตีให้แตกให้แยกขาดออกอย่างนี้เป็นต้น มันก็มีลักษณะที่เน้นต่างกันแต่ลจริตเท่านั้นจริตอื่นก็อีกก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมหจริตนะไม่ว่าจะเป็นพุท ธ, ธจริตเป็นวิต ก, กจริตหรือว่าเป็นศรัทธาจริตอะไรพวกนี้นะมันมีจริตอยู่หกจริตก็มีจุดเน้นหรือจุด ที่จะทำให้เหมาะกับตัวที่เรียกว่าสกายะสกายะในความรู้ตัวให้รู้ว่าอะไรที่เป็นจุดร้ายเป็นตัวการเป็นจุดใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ประชุมที่มันหนักที่มันแรงรุมแรงที่มันประชุมหรือรุมแรงอยู่ที่ตัวเราเรียกว่าตัวร้ายหรือตัวกิเลส หือตัวที่ควรจะต้องกระทําออกไปสั ก, ก่อนเรียกว่าส ก, กายะซึ่งอตมาแปลรวมเรียกว่าตัวการส ก, กายะนี่คือตัวการเพราะฉะนั้นผู้ใดจะปฏิบัติธรรมก็จะต้องรู้จักตัวการเห็นตัวการเข้าใจตัวการของแต่ละบุคคลสั ก, ก่อนเรียกว่ารู้จักส ก, กายะทิฏฐิหรือว่าพ้นสักกายะทิฏฐิ ก่อนจะพ้นส ก, กายยทิฏฐิก็ต้องพ้นมิจฉาทิฐิก่อนผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือผู้ที่สามารถรู้เท่าทันทวารทั้งหสามารถเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องปฏิบัติด้วยการผัดสะด้วยทวารทั้งหนี่เป็นทางเดียวทางปฏิบัติคืออย่างนี้พ้นมิจฉาทิฐิก็ด้วยการมีผัดสะทั้งห มีการรู้เท่าทันทวารทั้งหกเมื่อทวารทั้งหผัดสะเราก็เห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่ผัดสะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงเช่นเรากําลังดื่มเหล้าสมมุติหยับหยาบแก้วแรกนี่แม่ชงกําลังดีเย็นเปี๊ยะกําลังจะหายเต็มที่ดื่มแก้วแรกนี่อาจจะอร่อย แก้วที่สองไม่ค่อยอร่อยเท่าแก้วที่สามยิ่งลดอร่อยลงยิ่งแก้วท้ายๆแล้วมีแต่เมากับเมาค่อยๆ ย, ยกขึ้นแตะยกขึ้นจิบเท่านั้นอาตมาเคยกินมานักแ ล, ล้วเมาเคยเมาแกล้งกิน แ, งนแกล้งดื่มชนแก้วอะไรไปบา้บาๆบอๆไปต้นักหนาเคยทํามานักแล้วนะไม่เที่ยงความอร่อยนั้นไม่ได้เที่ยง สวรรค์ไม่ได้เที่ยงเป็นอนิจจังถ้าผู้ใดมีญาณทัศนะมีความคิดนึกเข้าใจจะรู้เลยว่ามันไม่เสมออารมณ์ที่เราสแสวงเสพแสวงเสพสุขเสพสมอะไรทั้งนั้นมันไม่เที่ยงทุกคนที่แสวงว่าหลงว่าเป็นความสุขหลงว่าเป็นของควรได้ควรเป็นควรเสพแล้วเราก็จะสเสวย อ, อารมณ์ถ้าจะทาให้อารมณ์นั้นสเสวย ให้อารมณ์มันรู้สึกว่าเป็นโลกียสุขนี่เป็นสามัญสํานึกเป็นปุตุชนธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงไม่เที่ยงยึดเอาไว้เป็นความสุขอันกเกษมตลอดนี่รันไม่ได้ทีนี้ก็มีหลักสําคัญอยู่อันหนึ่งที่เป็นหลักปรมัาสูงสุดว่าถ้าจะว่าเที่ยงภาษาบาลีเรียกเที่ยงคํานี้วันนียะตะ นิยตะไ ม, ไม่เอาคำว่านิจจามาเรียกเอาคำว่านิยต์นิยตะแปลว่าเที่ยงหรือแปลว่าเป็นอย่างนี้ไปเสมอแล้วความเที่ยงอันนี้ก็คือมันไม่พลิกแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลมันไม่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยมันไม่คือความมั่นคงในความหมด มั่นคงในความศูนยเราไม่ได้มีอารมณ์ที่จะรับรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นคืออารมณ์อร่อยภาษาบาลีเรียกว่าอัศาธาอัศาธาอารมณ์อร่อยหรือรสอร่อยนี่แหละมันตัวหลอกโลกเรากินเล่าเรานึกว่าอร่อยเอาไปให้คนไม่เคยกินหรือผู้หญิงบางคนนี่ไม่เคยแตะเหล้าเอาไปชิมสิรับรองว่าแตะเขาบวนพุดเลย มันไม่ได้เป็นของอร่อยอร่อยอะไรแต่เราหลงได้วิญญาณเนี่ยหรือ จ, จิตของเราเนี่ยถูกมอมเมาถูกครอบงำถูกหลอกจนหลงว่ามันอร่อยแล้วเราก็ไปหลงเชื่อยังไงก็ไม่ไม่รู้ละแล้วแต่คนะแล้วไปติดมันแท้จริงมันไม่มีรสอร่อยมันไม่มีความอร่อยนั้นอร่อยนั้นเป็นมายาเป็นข้านิยมที่สร้างขึ้นมาให้แกลโลก โปรเพกันาโฆษณากันบอกยั่วย่อมาไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีเป็นแสนปีรถอร่อยเหล่านี้ได้เกิดตั้งแต่น้อยน้อย่างน้อยๆเรื่องเรียกว่าสังขารจนมาปรุงเรื่องต่างๆปลอมเรื่องต่างๆคิดค้นหาอะไรต่างๆ่าเข้ามาหลอกหลอกเราจนเราหลงติดสิ่งเหล่านั้น นับไม่ทวนเรื่องแล้วมันจะไม่ทุกทนไหวแล้ยมันทุกข์นี่ยกตัวอย่างว่าเราติดเล่าเป็นของหยาบางคนไม่ติดในที่นี้ก็เป็นบุญแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายร้อย ห, ยหลายพันเรื่องหลายร้อยหลายพันรสอร่อยที่เรานึกว่าอร่อยของที่จะเสพเข้ามาของที่จะมาให้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แม้แต่ทวาร น, นอกนะ ตาหูจหมูกลิ้นกายทวานรห้าถวาวรนอกซึ่งเราจะผัดสักแล้วก็จะเกิดรสและรสนั้นไม่เที่ยงผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงว่ามันไม่ใช่รสอร่อยผู้ใดเข้าใจเลยพิจารณาเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ยืนยองอย่างเก่ามันจะต้องอร่อยอย่างนี้คงที่เสมอเสมอไม่มันไม่จริงๆใครเห็นได้คนนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิใครเข้าใจได้คนนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิ เมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วไอ้สิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะฉะนั้นเรารู้ด้วยว่ามันเป็นมายาอีกเข้าใจตามบัญญัติภาษาสอนภาษาบอกก่อนก็ได้แล้วคุณไปทำให้มันจางคลายออกสิลดความอรดอยหรือลดความติดยึดนั้นยังอัตมานี่เป็นคนอีสานเคติดพริกกินรสเผ็ด ถ้าพริกขิงหนูเม็ดดิีๆแล้วก็หมามีลาบมีก้อยแต่ก่อนนะลาบโดยก้อยด้วยนี่แล้วแต่กิน่นคำละเม็ดคำละเม็ดเคี้ยวแล้วหม้ออกดังทวนทวนเลยกลิ่นพริกขิงหนูนี่เคียยกั๊บนี่ไหมกลิ่น ม, มันชุยออกดังทวนทวนอิสานฟังรู้แต่ว่าคนภาคกลางก็อาจจะว่าอันไหลออกดังทวนทวนไม่รู้เรื่อง หมายความว่ากลิ่นมันนีฉุยขึ้นตมูกออกแม่มันทั้งเผ็ดมันทั้งหอมรสก็จี๋จากลิ่นก็หอมชื่นใจแต่แสบนะแต่ขณะที่หลงขณะที่โมหะนั้นไม่รู้หรอกว่ามันทั้งแสบเผ็ดหลายคำก็หากรรมวิธีที่จะทำยังไงที่จะให้มันคลายความแสบความเผ็ดทนได้อย่างหนึง่ง หาวิธีการให้มันผ่อนคลายตัวของมันเองแล้วเราก็จะเคี้ยวมันทุกคําข้าวทุกเม็ดให้ได้ถือว่าเก่งถือว่าได้เปรียบถือว่าได้อร่อยชีวิตนี้แหมกําไรกําไรกําไรเป็นอย่างนี้อาตมาเคยหลงอย่างนี้ยังจําได้อยู่แล้วเราก็ทำแล้วนึกว่านั่นคือความอร่อยนั่นคือความกําไรนั่นคืออัสาทะแล้วเราก็เสด ร่างกายเราจะได้รับความเผ็ดร้อนข้าไปอย่างไรกระเพาะมันจะเป็นอย่างไรพังไปอย่างไรอาตมาเคยเป็นโรคกระเพาะอายุ1 5เท่านั้นนะเป็นโรคกระเพาะ1 5บห้าสิหรือไม่จะสิบเนี่เป็นโรคกระเพาะต้องรักษากันทั้งปีแต่ไม่รู้หรอกว่าเราเองเป็นอะไรมาจากเหตุอะไรเราไม่รู้หรอกที่กำลังยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอาตมาเคยนึกว่าอันนี้เป็นรสอร่อยเคยหลง จนมาปฏิบัติธรรมแล้วถึงรู้ความจริงและกระเด็นลดทุกวันนี้อัตมากินพริกไม่ใช่อร่อยไม่อร่อยเลยจริงๆ ร, รู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่พริกก็ไปทีไเรเผ็ดแสบถ้าไม่จําเป็นทุกวันนี้ไม่กินพริกไม่กินไม่จําเป็นไม่กินใครเอามาให้ก็กิกนบ้างกินพอทนได้ถ้าไม่ฝึกไว้เสียเลยก็แตะไม่ได้สัมผัสพักก็จะแสบจะทนลําบากทุกยากเป็นกายยิกระทุก แต่ใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกแม่จะเผ็ดแสบจนน้ำทุ่งน้ำตาไหลใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกเจตสิกท mm ุกข์ไม่มีเพราะรู้เท่าทันแล้วแต่กายยิกงทุกข์มันมีแน่มันแสบปฏิกิริยาของธาตุมันทําปฏิกิริยากับเซลล์ของเราเกิดการแสบเผ็ดเป็นจริงๆเป็นจริงๆทุกข์เป็นกายยิกงทุกข์เดี๋ยวนี้เห็นทุกข์อย่างนั้น ไม่ได้หลงว่าอร่อยเลยไอความอร่อยที่ว่านั้นท่านกีเรื่องพริกแล้วเดี๋ยวนี้ลืมสนิทเลยว่าเออรสอร่อยตอนนั้นเราบ้ายัางไงนะเราหลงได้ยังไงแต่ก่อนหลงจริงๆแต่ก่อนคิดว่าอร่อยเราเห็นจริงๆเลยในอารมณ์ว่ามันอร่อยสนิทใจเลยนั่นคือความหลงของเราและความเป็นจริงของจิตใจของเราอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้หลอกตัวเอง แต่พอมาปฏิบัติทำเข้าก็ลดลงลดลงจางคลายลงไม่เห็นว่ามันเป็นอร่อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อร่อยมันแสบมันไม่ใช่แสบมันไม่แซ่บเราะมันแสบแสบจริงๆเผ็ดเนี่เผ็ดกินไม่ค่อยไหวอย่างนี้เป็นต้นนายยกตัวอย่างให้ฟังเคยยกให้ฟังบ่อยๆเรื่องอื่นเหมือนกัน เรื่องเคยกินเหล้าเคยแม้ชงเหล้าแก้วแรกเยน็ยนเยน็นพอดีชงให้มีโซดาขนาดนั้นน้ำเหล้าขนาดนั้นประมาณกนนน็นั่นนั้นเนีไม่รู้ละแล้วแต่ใครของใครของมันบางคนอาจจะแก่หน่อยบางคนอาจจะบางหน่อยก็ตามใจแต่แก่มันไม่อร่อยหรอกต้องพอเหมาะพอดีบางค่อนข้างมาหาบางนั่นแนหะแล้วเราก็ซดเข้าเรานึกถึงคนหวานคอลระเกินเหล้าเคย แต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่างนั้นแหละไอระ้รสปลาปลาซาๆาอย่างนั้นเองแตะเข้าไปก็อย่างนั้นมันไม่ใช่อร่อยอะไรนี่เป็นความลงหรือแม้แต่เราคิดว่าเราได้กินอันนี้ผับอร่อยอันนี้ยำอร่อยอันนี้แกงนี่แกงกะทิอันนี้แกงขั่วนี่แกงอะไรก็ตามใจคนอีสานบอกกินแกงกะทิอย่างพ่อตาตมา บอกแกงกะทิเออเเนอไม่กินสู่แกงขั่วไม่ได้พราเป็นคนอีสานกินแกงกะทิมันเป็นของไทยอาหารไทยวะมันไม่ชอบแกงกะทิชอบแกงขั่วแกงอีสานไม่ต้องใส่กะทิอย่างนี้กินแล้วแซ่บดีถ้าไปกินแกงขั่วไม่แซบ่บเออไม่กินแกงกะทิไม่แซบ่บนี่เป็นเรื่องของความยึดถือเป็นเรื่องของความหลง แล้วเราก็หลงว่าอร่อยแล้วเราก็จะต้องสแสวงหารสอย่างนั้นกินไปแล้วก็เบือ่อเพอมันอิ่มๆพะมันกินไปพอสมควรมันก็ชินช้นๆเซงๆแล้มันก็อร่อยก็ลดลงลดลงแม้แต่ในขณะที่ว่าอร่อยมันก็ไม่เที่ยงอตอนแรกมันอาจจะยังไม่พอรีบพอแตะมันแหมรู้สึกดีเหลือเกินก็มีจิตเร่งเราอยากกินอีกเพราะได้อีกก็อร่อยกว่าเก่าเพอะได้อีกอร่อยกว่าเก่าเพราอร่อยไปถึงที่ขีดนึงแล้วไม่อร่อยกว่านี้แล้ว ทีนี้ก็มีแต่จะค่อยๆลดอร่อยลงค่อยๆลดอร่อยลงยิ่งตอนจบตอนจะอิ่มตอนจะแหมเบื่อแล้วตอนนี้ตอนจะเต็มกระเพาะและ้วอร่อยน้อยแล้วทีนี้ก็ไม่อร่อยแล้วพออิ่มตื่อแล้วทีนี้ไม่อร่อยเลยให้กินอีกก็ไม่อร่อยจนกว่าจะลืมหรือว่าผ่อนคลายนานไปจนกว่าจะเกิดการหมุนเวียนไปอีกระดับหนึ่งอยากใหม่หิวใหม่อร่อยใหม่ สูบบุหรี่นี่แม้กำลังหิวหิวบุหรี่นี่แรกอร่อยพอจะต่อไปต่อไปเยอะนานๆเข้าก็มึนๆเคเคเดี๋ยวก็ต้องหยุดสูบก็พักปรเดี๋ยวก็ต้องนานไปอีกก็ค่อยๆเลือนลางเลือนลางอยากใหม่สูบใหม่อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบสินน้นเรานึกว่าเราได้เสวยสุขได้ครองสุขเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนาน ยกตัวอย่างการสูบการกินยกตัวอย่างการได้ทางตาก็เหมือนกันเราได้เสื้อตัวใหม่แม่มันสวยเหลือเกินเสื้อตัวนี้อยากได้เหลือเกินพอได้มาครั้งแรกได้อมันอร่อยมันชื่นใจสุขใส่คราวนี้รู้สึกมันพองตัวแม่สบายสมใจมันสมใจไม่พออยากอวดด้วยเนื้อหาทางไปอวดไปโชว์ไปเที่ยว เอาไปอวดเขาพอได้อวดเขาก็ยิ่งอร่อยใหญ่แล้วโอ้โหมันชื่นใจมันใหญ่มันโตมันพองขนมันพึกภาคภูมิอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกันแต่มันมันก็มีแนวแตกต่างกันบ้างมีกิริยาแตกต่างกันบ้างแต่อร่อยใจรถมายารถนี้เรียกว่าโลกียรถนี้อันเดียวกันได้ฟังเสียง ได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสทางลิ้นได้สัมผัสทางกายแตะต้องเสียดสีเหมือนกันหมดเรานึกว่าเป็นรสอร่อยแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องหยุดแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องพักแล้วก็เมื่อไม่จบโลกยังไม่สิ้นสุดก็ต้องหมุนเวียนมาอยากใหม่บางที เบื่อไม่ใช่เบื่อธรรมดาเบื่อเป็นเดือนๆือนเป็นปีปีแล้วค่อยมาอยากใหม่ก็มีบางทีเบื่อเป็นชาติชาติก็มีในชาตินี้เราไม่ติดเลยเหล่านี้เราคนอื่นเขาสุขคนอื่นเขาอร่อยเราทั้งชาติไม่ติดเลยชาติหน้าค่อยมาหลงเขาใหม่หลงมันใหม่แล้วก็ติดมันอีกก็ได้เสพมันอีกก็ได้เป็นชัดชาติก็ได้อันนี้พูดไกลหน่อยพูดข้ามชาติให้ฟัง แั้นบางคนสิ่งนี้เขาหลงได้หลงดีคนอื่นก็หลงเราทั้งชาติเราไม่หลงเลยเราไม่ติดเน่ยเขาว่าอร่อยเราไม่เห็นอร่อยสักทีกับเขาเราว่าหน่าดาย่ามีหน้าเป็นหน่าเสพน่าเสเวยเราไ ม, ไม่ไม่น่ากับเขาเลยตลอดชาติก็มีบางเรื่องบางคนแม้แต่เรื่องที่มันเราคิดว่าแทบจะทุกคนเช่นเรื่องเมถุนเราคิดว่าทุกคนคงจะต้องเสพสมผู้หญิงผู้ชายเมถุนบางคนชาตินี้เขาไม่ชอบผู้ชายเลยผู้หญิงไม่ชอบผู้ชาย พาไปชอบผู้หญิงด้วยกันทั้งชาติเลยก็มีบางทีผู้ชายควรจะชอบผู้หญิงเป็นปกติธรรมดาไม่ชอบว่าไปชอบผู้ชายด้วยกันทั้งชาติก็มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วไปเสพสมสุขสงกับผู้ชายด้วยกันบางคนไม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายดังเกียดไปทั้งชาติเบือ่อไม่เห็นว่าเป็นความสุข เ็าหลอกล่อ ก, กันยังไงก็พยายามนึกคิดกับเขาไม่ไม่เป็นอารมณ์อย่างนี้ก็มีแต่ก็น้อยนะส่วนมากมันเกือบทั้งนั้นเพราะมเป็นอารมณ์คลองโลกเมทุลหรือว่าการสมพันธ์มันเป็นทั้งพืชมันเป็นทั้งสัตว์มันเป็นทั้งมนุษย์มันเป็นมาสะสมมานานชาติตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์แตกตัวตั้งแต่เป็นเซลล์ตั้งแต่เป็น สัตว์เซลล์เดียวจนกระทั่งมาเป็นสัตว์ล้านเซลล์มันก็ต้องแตกตัวต้องผสมพันธุ์อยู่อย่างนี้นานับกับกันสั่งสมมันนานหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหลายล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงมีเป็นส่วนมากไม่มีเป็นส่วนน้อยแต่คำว่าไม่มีนั้นถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าที่เป็นโพธิสัตว ถึงพอทั้งเกิดมาถ้าก็ไม่มีอารมณ์นี้โพธิสัตว์บางองค์แต่ก็น้อยอีกโพธิสัตว์บางองค์ที่จะไม่มีอันนี้ก็พูดอาจินไตยให้ฟังนิดหน่อยโพธิสัตว์ส่วนมากก็จะมีแม้แต่มหาบรมโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าพอเกิดมาท่านก็จะถูกมอมเมาแล้วท่านก็มีอารมณ์นี้ได้ไอัที่จะไม่มีนั้นโพธิสัตว์ที่ไม่มีนั้นน้อยมีพระพุทธเจ้าบางองค์ไม่แต่งงานเลย ตลอดประชนชีพก็ไม่แต่งงานเลยไม่เคยผ่านการแต่งงานมีพระพุทธเจ้าบางองคนะ์แต่พระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมเราแต่งงานมีลูกนะอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยอาตมาก็พูดประกอบนิดหน่อยนะซึ่งไม่ควรจะไปคิดเพอ้อแม้อาตมาจะเล่าให้ฟังก็ไม่ไหวอาตมาเล่าเรื่องต้นไม้ใบไม้ทั้งป่าให้ฟังพวกนี้ไม่ไหวไม่มีเวลานะเมื่อเรามาเน้นเข้าหามักเขาวิธี มหาทางปฏิบัติที่เราจะเข้าไปสู่ความเกิดทัศนวิเศษเกิดทัศนวิสุทธิเกิดความเห็นความรู้และความบริสุทธิ์ที่สุดนี้ให้ได้เมื่อเราได้อันนี้แล้วเราก็จะศึกษาญาณทัศน์ที่จะรู้ใบไม้ทั้งป่าไปเราทําใบไม้กํามือนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซะก่อนเป็นฐานเมื่อเราได้อันนี้แล้วเป็นอรหัตผลเราได้อรหัตผล ของตัวเองจนสูงสุดแล้วแล้วเราจะเกิดทัศนวิเศษพวกนี้ได้เองศึกษาก็ง่ายมีข้อมูลมาก็จะเกิดปฏิพานรู้อะไรได้กว้างขวางแตกฉานแล้วง่ายอย่างอาตมาเนี่ยมันไม่ยากอาตมาไม่ได้ไปศึกษาอาตมามีบา ร, รมีมาบอกแล้วว่าชาตินี้ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ศึกษาปฏิบัติทำเองปฏิบัติสองปีไม่ถึงดีก็ไม่ไม่มีปัญหารู้แจ้งพูดตรงๆบอกกับพวกเราเอง รู้แจ้งเห็นจริงแทงทะลุหมดปัญหาเข้าใจจิตหมดกิเลสเป็นยังไงหยุดก็หยุดอยู่เฉยๆได้จะปรุงก็ปรุงได้จะคิดก็คิดได้จะพูดก็พูดจะทําก็ทําและทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอีกก็รู้แสนรู้ว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแล้วเราทําสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการยังประโยชน์แก่ท่านแก่ผู้อื่นรังสรรต่อไปนี่เป็นสัจจะนี่เป็นความจริงก็เป็นอย่างจริงไ ม, ไม่ไม่ได้สงสยัย แล้วกิจเราคืออะไรเราก็ทําไปเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันทนได้ก็ทนไปถ้ามันทนไม่ได้ควรพักเสียก็พักนะเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นสัจจะนั้นก็ถ้าเราไม่รู้ใบไม้กำมือเดียวที่ปัสสมมาสัพพุทธเจากก้าคนเน้นกับภิกษุภิกษุทั้งหลายเราสอนเธอใบไม้กำมือเดียวส่วนใบไม้ทั้งป่านั้นมีมากอีกนักที่ตถาคตรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจอยู่ แต่ยังไม่จําเป็นจําเป็นใบไม้กํามือเดียวคือกิเลสในจิตปัญญาของเราและแท่งกายรูปนามขันหะของเรานี้รู้ของตัวเองให้ชัดนี่คือใบไม้กํามือเดียวส่วนการจะรู้ทัศนวิเศษแตกฉานอย่างที่เล่าเมื่อกี้ออกไปพูดถึงการข้างหน้าพูดถึงผู้อื่นพูดถึงบางท่านบางองค์บางคนพูดถึงโลกลูกอื่นคนอื่นเขามีจริตอย่างไร มีวงโครจรของชีวิตอย่างไรมีเหลี่ยมมุมอะไรบางอันที่เราไม่เคยไปเป็นอย่างนั้นหรอกเราจะศึกษาเอาได้แม้เราจะไม่ต้องไปพบไปผ่านแม้เราจะต้องไม่ต้องไปเป็นมาเราจะเข้าใจยานทัศนวิเศษของเราเห็นเข้าใจมีเหตุผลเพียงพอนวันเอาทุกของเราให้หมดซะ ก, ก่อนเอาความเื้อนเอาสิ่งที่เราหลงผิดมานี้ของเราให้หมดก่อน จึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เข้าหาตัวเราเรียนตัวเราเอาของตัวเรามาศึกษาอย่าเพิ่งไปเพ้อเสียเวลาศึกษาของผู้อื่นหรือความรู้ใบไม้ทั้งต้นทั้งป่าใบไม้นอกตัวนอกกำมืออย่าเพิ่งไปศึกษาเนี่มันที่พระพุทธเจา้าท่านยืนยันว่าทางนี้ทางเดียวนั้นเป็นทิศดีของพระสมณโคดม ฤษีเดียรถีอาจารย์เกจิอาจารย์พระสิทานนักพจต่างศาสดาต่า ง, ตา ง, ตา ง, ตางแต่พยายามคิดค้นหาทางที่ดีที่สุดสูงที่สุดซึ่งก็ใกล้เคียงกันลอกเลียนกันมาเช่นว่าศึกษาสมาธิก็คือทำให้จิตนี่ไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงเข้ามาปน เขาก็หาวิธีที่จะล้างออกไปอย่างละเอียดละออไม่ได้ไปค้นพบวิธีที่สกัดกัน้นทํากําแพงจิตเรียกว่าสะกดจิตตามภาษาสมัยใหม่ภาษาสมัยกากนนั่งพยายามรวบรวมกําลังพลังจิตสกัดกัน้นทํากําแพงห้อมไม่ให้กิเลสอะไรเข้ามาหนึ่งสองให้กิเลสของตัวเองตกตะกอนไว้ อย่าเห็นอย่ารู้ที่จริงกิเลสอาสวะของตัวเองมีแต่กดกิเลสของตัวเองให้ตกตะกอนไว้เสร็จแล้วเราก็มาอยู่ในภูมิของธาตุรู้จํานวนหนึ่งเหมือนกันน้ํามีตะกอนขุ่นมีฝุ่นละอองเมื่อเวลาปกติธรรมดามันก็เหมือนกับเราคนมันไว้เสมอฝุ่นละอองกับน้ํามันก็จะเป็นน้ําขุ่นอยู่เสมอพอเวลามาทําสมาธิเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่คน นอกจากไม่คนแล้วก็กั้นไม่ให้อะไรเข้ามากระทบกระเทือนเมื่อไม่แห่อะไรก็เข้ามากระทบกระเทือนแล้วก็พยายามช่วยให้ตัวเองเนี่ยกดหรือกรองอัตกอนให้ลงไปนอนก้นนี่คือลักษณะทาสมาธิสมัยโบราณของฤูซีเดรตีกดให้ฝุ่นละอองเข้าไปนอนก้นมันก็นอนลงก็กตกตะกอนของใหม่ก็กั้นไม่ให้เข้ามากระเทือนบอกแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรมากวนน้ําน้ําที่มันมีตะกอนในตัวนี้เพราะฉะนั้นไม่เมื่อไม่มีอะไรมากระเทือนข้างนอกผัดสะทั้ง5้ตัดหมดไม่รับผัดสะเมื่อไม่รับผัดสะก็คือนั่นแหละกั้นไม่ให้อะไรเข้ามากระเทือนเมื่อไม่มีอะไรกระเทือนข้างนอกรอบด้านก็ถวานทั้ง5้าตัดปิดหมดแล้วก็ทําจิตของตัวเองนี่เหมือนกับกรองหรือกดทุลีละอง ให้มันลงเป็นนอนก้นน้ำข้างบนก็ใสเสร็จแล้วเราก็อยู่ในภูมิน้ำใสนี้จิตของตัวเองก็รับผัดสะแล้วลอยว่ายวนเล่นอยู่แต่ในบนน้ำใสข้างบนก็รู้สึกว่างโล่งสบายเบาสะอาดอยู่แต่ไม่ได้หมดนะักกอนก้นกิเลสนะั้นหรืออาสจจวะอนุสัยนั้นอยู่อย่างเก่านั่นแหละกดมากมันก็เก่งขึ้นฝึกบ่อยๆมันก็ชนานาญกดมันก็ยิ่งแน่น มันก็ยิ่งกรองมันก็ยิ่งตกลงไปอยู่ที่ก้อนข้างล่างเป็นผลึกตกผลึกลงไปเพราะงั้นปรือีเดรัจฉีจึงไม่หยุดการนั่งสมาธิให้แก่ให้ตายไงยก็ต้องนั่งหลับตาสมาธิเพื่อกดผลึกนี้ลงไปหัดตัดทวานี่ก็หัดหัดให้เร็วอะไรมากระทบสัมผัสไม่รับรู้ไม่รู้ตาก็รู้สีเฉยไม่เอาไม่คิดไม่นึกปรุงร่วมไม่ได้ถ้าคุณไปปรุงร่วมปรเดี๋ยวก็เมา ปเดี๋ยวก็หลงไปกับเขาหัดทำนิสัยอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เพราะารู้สีต่างๆนี้โง่ไม่รู้โลกไม่เข้าใจโลกไม่รู้เท่าทันผัสสักจะร่วมสังเคราะห์กับเขาสังเคราะห์นี่ไม่ใช่สังเคราะห์เสพอนุโลมคนนี้เออคนนี้เอากระสายให้เขาหน่อยปรุงสินิมีรูปบ้างมีสีบ้างมีอะไรเขาบ้างมีเสียงบ้างมีทํานอง มีอะไรแต่ได น, ดนิ่ๆหน่อยๆเป็นกระใสเพราะว่าคนเขาจะยังติดอยู่ไม่งั้นมันกลืนไม่ลงคอก็จําเป็นต้องให้สีหน่อยหนึ่งให้เสียงหน่อยนึงให้กลิ่นนิดนึงให้รสนิดหน่อยอะไรบ้างตามฐานะของบางคนที่จะต้องอดเคราะห์เขาทําร่วมไม่ได้เพราะงั้นพวกที่ดูสีบางคนนี่แข่งแข็งทื่อเลยไม่อันุโลมอะไรทั้งนั้นดูสีไม่เอาไม่เอาเสียงไม่เอากลิ่นไม่เอารสไม่เอาอะไรอย่างนี้ พวกนั่งหลับตาฉันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้เขาก็ตายเหมือนกันเพราะเขาไม่มีเอกยนาคโคเขาไม่มีสติปัฏฐานเขาไม่มีทฤษฎีอริยมรรคองแปดเขาไม่มีเขาไม่ ไ, ไมไ่ปฏิบัติมาทางนี้เขาปฏิบัติทางแบบนั้นซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานและเขากไ็ได้ทางนี้มาแล้วจับไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นอาจารย์ ในการนั่งสมาธิแล้วก็ทำวิธีนี้จับไม่ได้ไล่ย้อนไม่ถึงไม่รู้ใครเป็นอาจารย์องค์แรกที่ค้นพบวิธีนี้มีมานานเนกาลีแล้วฤษีเดรทีแม่อุทกดาบทอรานดาบทเอามาใช้ที่มาสอนพระพุทธเจา้าก็มีกรรมวิธีนี้เสร็จแล้วเราก็นั่งได้แม้เป็นรูปประจันร์อรูปประจันรว่างอากาโซว่าง อ า, าาอากาศที่แปลว่าว่างอากาศโซสว่างว่างนะวิญญาณวิญญาณนงอ น, นิทัศนังอ น, นันตังมันไม่ใช่กันนี้ด้วยเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณถึงมั น, ม, นมันก็ไม่ถูกต้องที่จริงคําสอนพวกนี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องอยู่นะแม้จะตกทอดมานะอาตมาจับไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นคําสอนมาจากโบราณหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นก็จับไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นคำสอนที่ทั้งพยัญชนะและอัตถะอัตมาเข้าใจได้เห็นโดยยานรู้แจ้งว่ายังถูกอยู่เช่นคำสอนที่เราเอามาอธิบายกันแล้วว่าแม้แต่อนันโตอากาโซโติก็ได้แยกวิเคราะห์ทั้งศัพท์และอัตถะให้ฟังแล้วแม้แต่วิญญาณังอันอวินไม่ใช่ไม่ใช่ อนันโตอนันตังเนี่ยอนันตังลอนันตังอากาโซติอนันโตวิญญาณันติเนี่ยก็ได้แยกศัพ์ไปแล้วคือแม้แต่นัตติกิจีติซึ่งเป็นตัวไขอธิบายถึงอรูปฌานเหล่านั้นก็ได้ไขให้ฟังอธิบายแยกแยกให้ฟังแล้วว่าที่บอกว่าอนันตังอากาโซติหรือว่าอนันโตวิญญาณันติอะไรพวกนี้ มันหมายความอย่างไรหรือว่านัตถิกินจีติถึงไปในฐานของอากินจา น, น, นันจาย อ, อากินจัญญายตนะนะมันไปถึงอย่างนั้นขยายอย่างไรมีความหมายอย่างไรก็ได้อธิบายสู่กันฟังแล้วตามยานทัศน์ของตัวเองที่ยังถึงและเห็นได้ถึงถ้าคุณฟังดีๆก็เชื่อแน่ว่าเข้าใจเพราะพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอื่น อธิบายเป็นภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นเพรารรากฐานภาษาที่สืบทอดมาเป็นทฤษฎีเป็นความรู้เหล่านี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นคําสอนเก่าหรือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่มันก็ยังตกทอดมาตามพระไตรปิฎกตกทอดมาตามคําสอนพวกนี้ซึ่งเราก็หยิบออกมาเรียนรู้แล้วก็มาอธิบายสู่กันฟังและให้คุณพิสูจน์เมื่อคุณเข้าใจถูกความหมายพิสูจน์ มันจะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอัตมาพิสูจน์ได้ผมพิสูจน์ได้แล้วแล้วก็เอามานําพวกคุณให้พวกคุณได้ลองพิสูจน์ตามเมื่อพิสูจน์แล้วก็ก็จะเห็นจริงเลยว่าโอัอนันตังอากาโสติมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่บ่ามันว่างแล้วมันก็ว่างเสมอไม่มีที่สิน้นไม่มีที่สุดไม่จําเป็นจะต้องนั่งหลับตาปีเข้าไปแล้วก็ไปเกิดแสงสว่างแล้วก็ ถึงเป็นแสงสว่างที่ไม่มีที่สิน้นไม่มีที่สุดอยู่ตอนนั้นเท่านั้นพอออกมาแล้วอ้าวสุดจะและ้วความว่างสุดจะและ้วอากาสาสุดจะและ้วยังงี้มันก็ไม่จริงพิสูจน์แล้วว่าว่าดูสีให้เป็นนั่งหลับตาเอาแล้วก็บอกว่าถ้านั่งหลับตาได้แล้วนี่เป็นอรูปฌานอันเที่ยงอันตั้งมั่นแล้วนี่มันก็จะต้องเป็นสมาปฏิมันจะต้องได้เสมอต่ออยู่เรื่อยเนืองเ น, องเนืองอยู่เรื่อย แล้วมันขาดตอนอย่างนี้หลับตาจึงได้ลืมตาแล้วก็ขาดตอนนี่มันก็ไม่เป็นอนันตังอากาศโสติสิมันก็ไม่ว่างอันไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดสิมันไม่อนันตังสิมันไม่อนันก็หมายความว่าตลอดนิรันตังไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดมันก็ไม่ใช่สิก็มันได้ตอนหลับตาแตลลืมตามันไม่ได้ เพราะงัน้นนี่ก็อธิบายกันเพีย้ยนอธิบายกันผิดแล้วจับได้เลยประลุสีได้จุนจูแต่แค่ตอนนั่งลืมตา ม, มาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรืหลับตาจึงพิสูจน์ได้มากหลายเลยว่าไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาดูเท่าทันและได้ทางสัมมาอริยมรรคองแปดแล้วมาพิสูจน์ทางนี้พวกคุณจึงจะเห็นว่าโอ้เราได้อากาโซติไดตอนนี้เราจะว่างก็ว่างได้ตลอดเวลาแต่เป็นสันตะวิหาร ถ้าเผื่อว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยสัญตาวิหารเราจะมาอยู่ด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารโดยการรับรู้กับสังคมแล้วก็ทำงานกับเขามีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกขตาอะไรอยู่กับเขาหรือเป็นอุเบกขาซึ่งมีลักษณะองคุณห้านอุเบกขารวมรู้รวมคิดรวมปรุงกับเขาก็แน่นอนเราเราจะมาอยู่ในอากาโสติไม่ได้ละแต่ไม่อยู่ในอากาโสติ ในระหว่างอย่างนี้เราจะดูอากาโสติของเราแม้เดี๋ยวนี้ชั่ววัดนึงเนี่ยเราดูได้ไหมได้เราก็ยังว่างอยู่จิตของเราว่างเจ้าเน่าโปร่งอยู่เราไม่ได้อึดไม่ได้อัดไม่ได้ขัดไม่ได้เครื่องไม่ได้มีโสกับปริเทวะทุกกะทมนัตอุปายาตอะไรเลยไม่มีไม่ได้โสกะไม่ได้มองไม่ได้ปริเทวะจะหยุดไม่ต้องต่อปริเทวะหมายความว่าไม่ต้องต่อรอบได้ ไม่ต้องทุกข์แล้วมันไม่ทุกข์จริงๆไม่ต้องโทมมนัสไม่ต้องแหวงใจไม่ต้องเวาใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจอะไรนี่โทมมนัสหมายความว่าใจมันไม่เต็มโทมมนัทมันไม่บุบสลายมันไม่แหวงมันไม่เวามันเต็มมนัสเต็มใจเต็มมันไม่โทมมนัสมันไม่ทุกขมนัสมันไม่ใจเลวใจเสียไปไหนเลย ใจมันยังเป็นใจมันจังเป็นธาตุรู้อันบริสุทธิ์เบิกบานเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่มันไม่อุปลายยมันไม่อึดไม่อัดไม่ขัดไม่เครืองไม่ข้องอะไรมันโป่งโล่งสบายจริงๆเราจะดูอากาศโซติอันนี้ได้ไหมดูความว่างโล่งสบายนี้ได้ไหมได้แค่ธาตุรู้ของเรานี่มันยังเป็นธาตุรู้อยู่โดยไม่ดับไม่หายไม่สูญยังเป็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราจะรู้ จอกหลักว่าเราจะตั้งใจจะพักตั้งใจจะหลับก็หลับตอนนี้หลับเราธาตุดูเราเรางับไปชั่วคราวถ้าเราไม่หลับแล้วเราตื่นเมื่อเราตื่นแล้วธาตุดูของเราเนี่ถูกอะไรมาสิงถูกอะไรมาครอบงำถูกอะไรมาดึงไปได้ไหมไม่ได้ยังเป็นอนันโตวิญญาณันติยังเป็นธาตุดูอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดเป็นวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตประพังเป็นวิญญาณอันที อนันตังก็คือไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดอนันตังวิญญาณังอนันตังสัพพโตภพังเป็นวิญญาณนางอนิทัศนังที่จะหยิบมาพูดให้คุณฟังอนิทัศนังจะทําให้คุณเห็นอยากอนิทัศนังจะทําให้คุณเกิดทัศนะรู้ด้วยของเราอนิทัศนังเหลือเกินไม่สามารถที่จะให้รู้ได้โดยง่ายเลยอนิทัศนัง แต่ก็พยายามพยายามให้คุณรู้ให้เข้าใจแต่คุณก็จะมานั่งส่องเห็นวัวใจผมน่มันไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายมันเป็นอาหารหมตังนะชานามิอาหารหมตังนัปัสสามีติไม่พระพุตธจา้จาานตรัสเราไม่ยำไม่รู้ไม่เห็นได้ด้วยเธออาหารหมตังนะชานามิอาหารหมตังนัปัสสามีติ ของเธอเธอก็เห็นของเธอของเธอเธอก็รู้ของเธอของเราเราก็รู้ของเราเราก็เห็นของเรามันไม่ง่ายเลยที่จะให้รู้ให้เห็นของกันและกันได้ง่ายๆแต่ให้คุณไปพิสูจน์เมื่ออธิบายด้วยบัญญัติภาษาสื่อความรู้ความหมายคุณก็ไปปฏิบัติเอาคุณก็จะได้คุณก็จะรู้เมื่อคุณรู้แล้วเอามาพูดนี้มาใช้สิทแนวสื่อความหมายต่างๆตรงกันตรงกันตรงกันหมดเลยของพระพุทธเจ้าก็ตรงกันกับของมหาสาวก พอมาเช็คมาพิสูจน์มาบอกกันแล้วอ๋อเหมือนกันตรงกันหมดเลยตรงกันตรงที่ว่าพูดกันก็รู้เรื่องของเรารู้สึกอยู่ของเธอรู้สึกอยู่ก็ตรงกันเหมือนกันว่างเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงหมดกิเลสตัวนี้อย่างนี้เป็นยังไงมันเป็นอย่างงี้เหมือนกันพูดกันสื่อกันอธิบายแกกกันอะไรกันเทียบเคียงกันรู้อ๋อจริงพิสูจน์ได้ พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นทางของพระพุทธเจ้านี้ที่ท่านบอกว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะทําให้เกิดทัศนวิเศษหรือว่าความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ์ความบริสุทธิ์ถ้าจะแปลกันเป็นตัวตัวก็ว่ามันมีทั้งความบริสุทธิ์มันมีทั้งทัศนะคือความเห็นก็เห็นเลยมันเห็นนะมนรรคายลูกตาเห็นมันเป็นธรรมจักสุขมันเป็นความเห็นเป็นปัปสโตชาณาโต มันเป็นการรู้อยู่เห็นอยู่จี้เข้าไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ลงนะที่จริงแต่อาการแส ด, แดงเข้ามาหาตัวเท่านั้นแหละมันเห็นอยู่รู้อยู่เลยไงมันใช้จิตปัญญาเนี่รู้เห็นอยู่เดียวนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่มารู้อยู่ตรงนี้หรอกนะจี้เข้าตรงนี้ก็ไม่ใช่รู้ตรงนี้มันรู้อยู่ในตัวเราเนี่ยนรูปนามขันห้าอะไรนี่ยมันเข้าใจเห็นชัดแจ้งอยู่เลยนะว่ามันเป็นความว่างกับเป็นอย่างนี้ความสะอาดเป็นอย่างนี้ เราจะตรวจสันตวิหารเราจะตรวจสภาพอากาศเราจะตรวจวิญญาณอันแสนรู้เราก็เห็นวิญญาณเราจะตรวจความหมดเรียกว่าอกกินจันหรืออกกินโจความไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีนัตถิกินจีติอะไรชไหนที่มันจะไม่มีนัตถิกินจีติเราก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่มีว่ากินเลสนี่แหละเราไม่ให้มันมีแต่รูปนามขันห้าเนี่ยมันเป็นธาตุเป็นอาทินะ เป็นอุปาธิเป็นอาทิเป็นต้นเป็นเขาเป็นเงื่อนมันจําเป็นจะต้องเหลือต้นเหลือรูปหรือเวทนาเหลือสัญญาเหลือสังขารเหลือวิญญาณมันต้องเหลืออยู่เป็นพระพุทธเจ้าก็จึต้องเหลือรูปนามขันธ์ห้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเหลือรูปนามขันธ์ห้าแต่รูปนามขันธ์ห้าเหล่านี้ก็เป็นลักษณะตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละ มันไม่มีกิเลสเขาไปไปปนในเวทนาไม่มีกิเลสเขาไปปนในสัญญาเขาไม่มีกิเลสเขาไปปนในสังขารไม่มีกิเลสเขาไปปนในวิญญาณเราต้องการกิเลสปัญหาอุปทานเหล่านี้ไม่มีเราต้องการให้มันไม่มีล้างมันออกจนเกลี้ยงเวทนาของเราก็วิสุทธิสังขารเราไอ้สัญญาเราก็วิสุทธิสังขารเราก็วิสุทธิ วิญญาณเราก็วิสุทธิมันวิสุทธิคือมันบริสุทธิสุทธินี่แหละบริสุทธิหรือวิวิแปลว่ายิ่งบริบริก็แปลว่ารอบมันสุทธิมันสะอาดสะอาดรอบสะอาดยิ่งทวิสุทธิก็แปลว่าสะอาดยิ่งไม่มีความสะอาดใดอีกที่จะสะอาดกว่านี้อีกวิสุทธิปริสุทธิหรือบริสุทธิก็คือมัน สะอาดรอบรอบนี้ไม่ใช่รอบธรรมดารอบนอกรอบในเลยปริโยสารรอบนอกรอบในทั้งหมดสะอาดรอบทวนทั้งนอกและในซับซ้อนซ่อนแฝงอยู่ตรงไหนก็สะอาดเปี้ยนซอกแสกสะอาดหมดซอกแสกสะอาดทั่วทุกซอกทุกมุมเรียกว่าปริสุทธิ์นะเรียกว่าบริสุทธิ์ผู้เป็นชาไทยว่าบริสุทธิ์คนไทยนี่ดี ที่ได้ภาษาของแคดภาษาของบาลีมาเป็นภาษาไทยเยอะเหลือเกินจนเป็นภาษานึกก่กว่าเป็นภาษาไทยแทย้ๆจนลืมเลือนแล้วเราก็ใช้กันเป็นภาษาไทยไทยไปเลยความหมายถูกบ้างเพี้ยนบ้างเป็นความหมายเป็นกิเลกก็มีเป็นความหมายที่ถูกต้องอยู่บริบูรณ์ก็มีอะเราไม่พูดถึงเรื่องอักษรศาสตร์หรือไม่พูดถึงเรื่อง พยัญชนะด้วยเรื่องภาษางั้นเราเองเราได้ภาษาต่างๆพวกนี้ก็มาสือแล้วก็มาพิสูจน์บ่าวิสุธทธิต่างๆเป็นอย่างไรเมื่อกี้พูดว่าเวทนาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิ์สังขารบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาอุปทานหรือโลภะโทสะ โ, โมหะอย่างเกลี้ยงเลยแม้แต่อนุสัยหรืออาสวะเรารู้ได้เห็นได้ นักิกรจีติอะไรที่เราจะไม่ให้มีก็กิเลสจนกระทั่งถึงอนุสัยกิเลสนี่แหละกิเลสหยาบท่านก็เรียกกิเลสหยาบภาษาบาลีท่านก็เรียกวิติกมกกิเลสกิเลสกลางกิเลสอีกขนาดนึงมันเหลืออีกแต่มันก็ยังไม่ใช่ลึกไม่ใช่บางไม่ใช่นอนก้นละเป็นกิเลสที่ยังจับติด พอสมควรอยู่เรียกว่าปริฐานกิเลสเราก็รู้จริงๆภาษาเหล่านี้เป็นการกําหนดเท่านั้นแต่ความจริงเราต้องมาอ่านของเราเองรู้สภาวะอาการอารมณ์รู้ลักษณะมันแตกต่างกันอย่างหยาบกับกลางต่างกันยังไงอย่างกลางไปต่างกันอย่างละเอียดเรียกว่าอนุไซกิเลสต่างกันยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราหมดและวหยาบไอการหมดแล้วเหลือแต่ไอละเอียดที่นอนกลิน บางเบาเป็นอะรูปรู้ยากแมแบอกแหวบนานๆมีทีลึกต้องอยังละเอียดใช้จิตแยบคายต้องโยนิโสมนสิการมากแยบคายจิตละเอียดถึงจะรู้แหมถ้าไม่มีความละเอียดอ น, นี้ไม่รู้ตัวเลยปั๊บผ่านสะสมปั๊บผ่านสะสมเป็นจริงเราจะเห็นจะรู้ชัด ซึ่งเหล่านี้นเราจะเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เอากิเลสมากดกดข่มกิเลสให้ตกตะกอนเอาไว้เสร็จแล้วก็ลอยอยู่น้าใสชั่วคราวพอเวลาหมดแรงข่มหมดแรงสะกดจิตหมดแรงที่กดเอาไว้เกิดเปิดโลกขึ้นมาตัดไม่ปิดทวารทวารหากรับรู้พุ่งข้มามันก็มากวนน้ำนี่อีก ตัวเองไม่ต้องใช้แรงข่มไอ้ตะกอนต่างๆก็พุ่งขึ้นมาหานะ้ำคนหุ่นเป็นน้ำขุนอย่างเก่าเราก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่อย่างเก่านี่รันดอนพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าออกรรมวิธีอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นท่านถึงมาสอนหยิบเลยจับให้ถูกกิเลสหยิบออกเลยนี่น่ะละอองกิเลสนี่นะฝุ่นกิเลสนี่ก้อนกิเลสหยิบออกจากน้ำ คุณมีแรงกำหนดเอาผมจะจะหยิบแค่ศีลห้าเอาล เ, เอาแค่นี้เราับมัดระวังแค่ศีลห้าของเราฉันจะหยิบกิเลสเอาตัดเอาท่านี้หยิบออกให้ได้โดยวิธีวิปัสนาโดยวิธีสติปัฏฐานหรือมรรคองแปดปฏิบัติโดยมีสติรู้นะนี่ตัวการห้าอันเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าเนี่ยอย่าอย่าทำอาการโหดร้าย เรียกว่าอย่าฆ่าสัตว์หรือเรียกว่าอย่ามีจิตที่อธร ม, มหทโหสักสิ่งข้อที่หนึ่งนี้แก้โทะสะศีล่งข้อที่สองแก้โลภะศีลงข้อที่สามนี้แก้หมดเลยศีลงข้อที่สี่นี้เป็นฐานของวจีธรรมศีลงข้อที่ห้าเป็นฐานของมโนธรรมกรรมวิธีก็อยู่ที่สามสามเนี่ยโทสะราคะ เทวโทสะโลภโมห ะ, ะศีลก็ดีสามกาเมรหรือว่าอพิรมจ ร, ร์เนี่ยทั้งหมดแหละาศาสนาทั้งหมดละอภิรมจ ร, ร์อันใดที่ไม่ใช่พภิรมจ ร, รไม์ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ธรรมวินยัยทั้งหมดละข้อสศีลสามข้อนี้ใหญ่ยิ่งทำแต่ว่าเราเอาอย่างหยาบอย่างต้นก่อนเราก็ระมัดระวังหนึ่งเราให้ความหมายตื้นๆมาอยากฆ่าสัตว์เราก็จะได้ฝึกใจของเราเกิดมเมตตาอยากฆ่าสัตว์ นอกจากไม่ฆ่าแล้วเราไม่กินด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีอธิศีธขึ้นไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์พยายามที่จะรู้เขารู้เรารู้ชีวิตเขารู้ชีวิตเราจิตเราก็จะช้าลงจิตเราก็จะสุ ข, ขุมขึ้นจิตเราก็จะวู่หวามน้อยลงอ ม, มหิตน้อยลงโกรธเครื่องช้าลงฝึกก็ไปได้หลักเกณฑ์อย่างนี้จริงๆมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเวลา หนึ่งแม่แน่ว่า ย, ยาว่าไม่ฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ใดก็จะต้องไม่ฆ่าแล้วใจของเราก็จะต้องไม่เครียดแค้นไม่โกรธไม่ชังมือไม่ทําระวังมือปากไม่พูดให้เขาฆ่ากันระวังจะเก่งยังไงก็ตามใจตอนนี้งูมันกำลังจะฉกเราแล้วก็จะบอกอู้ช่วยฆ่า ง, งูหน่อยช่วยฆ่า ง, งูหน่อยเราจะไม่พูดเราจะวิ่งหนีก่อนหรือเราจะหลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะหากำวณวิธีช่วยตัวเองที่จะไม่ทําให้ตัวเองละเมิด เป็นบาปภัยทางกายหรือทางวจีหรือแม้แต่มโนโนนี่คือฝึกสติปัฏฐานฝึกอย่างนี้จะเกิดผลสอดคล้องกันทั้งกายกรรมวจีกรรมมนกรรมนอกและในพระพุทธเจ้าถึงใช้หลักว่าเข้าใจให้ถูกนะั่นเป็นสมาธิว่าเราจะทำอย่างนี้แต่ก่อนเราทำอย่างปุตุชนงูจะกัดเลยถ้ายังไม่ทันจะกัดเดยซ้าไปเห็นงูแล้วฮ้าหวานเลยเองูนี่ ไม่รู้มันเป็นฆ่าศึกกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ฆ่าเลยท่านท่านที่มันกําลังจะวิ่งหนี้ลยทำไมมันไม่ได้กัดเราเลยอ่ะงูมันเห็นเรามันก็วิ่งหนีแล้วมันกลัวนะงูงูไม่ใช่มันไม่ไมไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวคนนะมันรู้อ้คนนี่คือจอมมารเจอหน้ากันไม่เคยได้หรอกมันจะวิ่งหนีนะแต่ยังอะเอาแล้วคนนี่รีบดักฆ่าเลยไม่รู้กลัวกันในชาติไหน อย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่แล้วเราจะไม่เอามหิตสัตว์ใดเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุ ข, เ ป, สขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยท่องภาษาอีสานเรียกว่าจมจะเป็นจมจ ม, จ ม, จมลอยแปดเถียวกะจมเอาแต่จมแต่พฤติกรรมไม่เป็นดังนั้นแพ้ไปเถิดเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดด้กันหมดทั้งสิ้นนักเก้าเองตายข่ายอยู่ แม่แต่เขายังไม่กัดเราเลยแล้วก็เองตายไอเขาไม่กัดเราเราไม่ว่าเองเป็นอาหารค่าซะค่าอยู่เองตายซะนะแล้วก็เอาเขามากิ น, นเอาเขามากินซะเลยเองเป็นเพื่อนค่าเพราะฉะนั้นเองจงมาเป็นอาหารค่าซะดีๆ อยากจะถามคุณว่าถ้าคุณมีเพื่อนชื่อวันนายกออยู่มาวันหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งมาถึงก็เอาอาหารมาให้คุณกินใส่จานมาอย่างดีผัดมาแกงมาต้มยำ ม, มาอย่างไรก็ตามใจอาหนี้อาหารแกงนายกอเนื้อเพื่อนของคุณกินซะคุณจะกินไหม แกงเนื้อในกอแกงเนื้อเพื่อนของคุณคุณจะกินไหมก็ในเมื่อเพื่อนในกอเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่เราบอกว่าเป็นเพื่อนใครจะไปกินเนื้อแกงในกอลงใช่ไหมเนื้อเพื่อนใครจะไปกินลงแต่คุณตอแหลเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้กันหมดทั้งสิ้นอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยจนเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่พอรอเนื้อเพื่อนทุกวันเลย เนื้งงูกับว่าเพื่อนเนื้อไก่ก็ว่าเพื่อนเนื้อปลาก็ว่าเพื่อนก็สับเพยสับพัดจีทองสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะก็สับเพสัตารนี่แหละก็สัตตะสัตว์ทั้งหลายก็ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนทั้งนั้นตอนแหลน่ะมันไม่ใช่เพื่อนคุณถ้าเพื่อนคุณกูกินเขาลงเหรออย่างที่ว่านี่เนื้อเพื่อนเนื้อในกอใหมคุณกินนี่มาผัดมายังดีเลย นี่เก็บอย่างดีเลยนะเนี่ยทอดมาได้เลยราดน้ำตาลมาเลยนะเนี่ยเกยนมาหรือว่านี่ต้มยำ ม, มาอย่างโอ้โหนี่อร่อยเหาะเลยนะคุณจะกินไหมล่นะเราแกงเนื้อเพื่อนนั่นอ่ะแกงเนื้อในกออย่างที่ว่าสมมุติขึ้นเมื่อกี้นี่ยก็จะกินไหมล่ะคุณก็มีแต่จะสังเวชใจเวทนาโอ้โหเพื่อนตายแล้วเหรอใครเราไปฆ่าเพื่อนเพื่อนเป็นโรคอะไรตายทําไมเพื่อนตายแล้วอะ่ะมีแต่อย่างงี้ใช่ไหม จะไปกินก็ไปได้ยังไงเนื้อเพื่อนนี่ล้วนแล้วแต่แผ่เมตตาตอแหลกันทั่วบ้านทั่วเมืองแผ่เมตตาตอแหลใช่ไหมคิดดีๆนี่อย่างนี้เราจะต้องมีความรู้ลึกขึ้นไปอีกเป็นอธิสีนว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เราพยายามปฏิบัติตนให้มีอธิสีน แล้วเราเองเราก็จะเกิดเมตตาธรรมสี่ข้อที่หนึ่งปฏิบัติเพื่อเมตตาธรรมทานนี้ทางเดียวเห็นในถูกแล้วเมื่อสัมมาทิฐิเห็นถูกแล้วเราจะทานเป็นอภัยทานเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นอภัยทานไม่อาฆาตงูก็ไม่อาฆาตไก่ก็ไม่อาฆาตปลาก็ไม่อาฆาตไม่ใช่พอลงน้ําแล้วเจอปลาตั้งๆตงที่ไม่เจตนาจะเจอปลาเจอปลา อา้าวตพอดีมีเข่งตักได้มีปลาเกยตื่นไว้รีบตักไม่มีข้องไม่มีอะไรก็เอารีบเอามือถือกลับบ้านเลยหวานลงหม้อแกงไม่ใช่อาค่ามาร้ายมันถึงป่านนั้นไม่เอาน่ะเลิกอาค่ากันสิทธิอภัยทานคุณจะต้องเลิกอาคา่าเลิกกินเลิกกัดเลิกึ ก, เ, ก, ก, เ, กเอาของเขามา ท่านให้แล้วมนุษย์จงกินพืชมนุษย์จงกินพืชผักผลไม้แค่นี้ก็พอแล้วให้ฟันมาเป็นฟันกรามสาหรับเป็นฟันบดไม่จะเป็นฟันฉีกเนื้อให้เล็บมาเป็นเล็บกีบไม่ใช่เล็บขอไม่ใช่เล็บเหมือนอีเหียวไม่ใช่เล็บเหมือนหมาเล็บฉีกเนื้อไม่ใช่อย่างนี้เป็นตน้นเราเป็นคนกินพืช ถ้าวอกก้อสร้างก็สร้างมาให้เรากินพืชแต่เราก็ขบฏไปถูกหลอกมากินเนื้อสัตว์ถูกหลอกไปกินเนื้อคนดีนะเนี่ยถ้าไมย่ยังไม่ถอนนิสัยยังไม่ถอนความหลงยัง ก, กินเนื้อคนอยู่มานั่งอยู่อย่างนี้กันไม่ได้แล้วปานนี้ก็เผลอไม่รู้ใครกินใครเข้าไปมั่งแล้ว <c oughs> นิ่ดีได้ว่าถอนตัวทันนะเนี่ยสำนึกได้ใ่ค่อ ย, อย่างชั่วเนี่ย แกก็ยังไม่ถอนจากการกินเนื้อสัตว์อีกรอบหนึ่งเพราะถูกหลอกมานานไม่รู้กี่หมื่นกี่พันชาติาถูกหลอกมานานเพราะเรากําลังจะพัฒนากลับเข้ามาเป็นมนุษย์โซเป็นผู้ประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าถึงอาตมายิ่งผู้ดยิ่งเห็นยิ่งมีญาณทัศนาเห็นชัดแจ้งพระพุทธเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์มาแต่เกิดท่านเป็นฮินดูไม่กินเนื้อสัตว์และแม้ที่เอาถึงแม้ท่จะไปกินเนื้อสัตว์เพราะท่านไม่แข่งในฮินดูของท่าน แต่ถ้าตัดสรู้แล้วรับรองไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะไม่ใช่ว่าหนึ่งไอ้ไม่อยากจะกินแล้วมันไม่ติดต ด, ดยึดแล้วมันหมดอัดสาธะแล้วมันหมดรสอร่อยแล้วนัว่นก็ด้วยนะเมื่อหมดรสอร่อยแล้วสองเรากินได้เราเลือกกินหน้าเรากินพืชได้พืชมีมากกว่าสัตว์พืชราคาถูกกว่าสัตว์พืชมีทุกหัวเราแลงโดยเฉพาะอีสานกินผักเก่ง ผักนี่เดินออกไปข้างนอกนี่เดินออกไปปเดี๋ยวอีสานนี่เก็บผักอะไรมากินได้แต่คนภาคกลางนี่โง่เดินออกไปนี่อดตายแน่เลยนี่ไม่รู้ผักอะไรกินได้แต่อีสานนี้ปล่อยก็ออกไปหินมีวะเนี่เดินออกไปทุ่งนาหรือออกไปตรงนี้ข้างนอกนี้เ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมากินหมดอะเยอะแยะอีสานี่รู้จักกินรู้จักผักที่กินได้เจ่งเยอะมีความรู้ในการกินพืชกินผักแต่คนภาคกลางเนี่ยไม่เป็นอะ ผักอะไรกินเป็นไม่เป็นกลัวกินไม่เคยเป็นเน่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่คนภาคอีสานนี่ไม่ต้องห่วงเขาอะออกป่าแล้วกเก็บมากินหม ด, ดเดี๋ยวก็มาเต็มตะกร้าอาตามาเป็นคนอีสานแต่ก่อนนี้ก็อ้าวว่างก็ออกป่าเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เก็บผักมาเดี๋ยวก็เต็มเอากลับมาบ้านกินแต่เดี๋ยวนี้คนอีสานเองก็ไม่ค่อยออกป่าแล้วก็ไม่มีป่าจะให้ออกด้วย มันล้างป่ามันถางป่ากันซะจนจะไม่มีป่าให้ออกแต่ก็มีป่าออกป่าแล้วประดี๋ก็เก็บอาหารมากินแต็มป่าเยอะแย ะ, ยะนะเดี๋ยวนี้นะับวันที่จะไม่มีป่าให้เก็บอาหารเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็วิเคราะห์ออกไปกว้างไปนะก็ไม่พูดละจะขอกลับพกเข้ามาถึงทางเอกที่เราจะปฏิบัติตามศีล น, นี่เพิ่งจะพูดถึงศีลข้อที่หนึ่งให้ฟังว่าเมื่อเรามีศีลเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมไปไหนเราก็เป็นคนมีศีล น, นะ นี่ีิ่ข้อหนึ่งท่านว่าอย่าฆ่าสัตว์สี่งข้อหนึ่งท่านมีจุดมุ่งหมายจะให้เราเกิดเมตตาธรรมเพราะเราจะเมตตาเมื่อเมตตาสัตว์ได้เมตตาคนได้แล้วคนก็จะไปเกลียดไปโกรธเขาเขาจะด่าเรามั่งอย่าเราสร้างเมตตาธรรมนี่เป็นอธิสินเขาพูดเขาว่าเราอ่าเราจยโกรธเราต้องไม่มีโทสะจิตเราต้องไม่สร้างโทสะ อยาให้เกิดโทสะบอกเล้สิ่งข้อหนึ่งนี่ล้างโทสะลดโทสะสี่งก็สองล้างโลภะอย่าไปเอาของเขาเราลดอย่างนี้แหละเราพิจารณาตนรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิบัติสติปัฏฐานแม้เราจะคิดสังกับปัจก็อย่าไปคิดให้เป็นโทสะความคิดที่เรากําลังจะคิดอย่าให้มีเศษโทสะเข้าไปป น, นสําหรับสี่งข้อหนึ่งถ้าสี่งก็สองก็อย่าให้มีโลภะเข้าไปปนนี่เป็นความหมายหลักสี่งก็สามก็อย่าให้โมหะทุกอย่างให้เป็นพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สะอาด ให้ถูกต้องตามธรรมวินัยเท่าที่เราสามารถรู้สามารถที่จะทำเข้าไปให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะจะจะพูดแค่เป็นการก็ให้ระมัดระวังในสัมผัสทางตาอย่าให้มีกิเลสราคะทางตาสัมผัสทางหูอยาให้มีกิเลสราคะทางหูเรียกว่ากามีสุมิชาจารย์สัมผัสจมูกอยาให้มีราคะทางตมูกสัมผัสทางลิ้นทางกายอย่าให้มีราคะอย่าให้มีโทสัตทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่ากามีสุมิชาจา ร, ราย์เข้าใจให้ถูกนะ อย่ามิจฉาทิฏฐินะต้องสุต้องสุจาระอย่ามิจฉาจาระจามสุมิจฉาจาระจาระจาระแปลว่าพฤติกรรมอยากให้เป็นพฤติกรรมที่ผิดเป็นมิจฉาต้องให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นสุสุจาระให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นเป็นไปในทางดี การวานทั้งห้าเราสัมผัสเราก็พิจารณาแล้วเราทำให้ตรงไม่ว่าจะเป็นสังกปปะไม่ว่าจะเป็นวาจาก็อย่าไปพูดให้มันไปผิดเพี้ยนไปบกพร่องในเสีงคนหนึ 1, ่งก็สองสาตามความหมายใครมีปฏิพาณใครมีความรู้ละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่กำหนดเอาแล้วปฏิบัติจริงๆนี่เป็นการหยิบฝุ่นละอองหยิบกิเลสออกจากจิตเสมอเสมอ ได้ทาบ่อยๆได้ทาทุกเมื่อคุณมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมได้มากเท่าไหร่ไม่หลงไม่เผลอมากเท่าไหร่คุณแข็งแรงด้วยสติแข็งแรงด้วยสติสัพัญญแล้วก็แข็งแรงด้วยธรรมวิจัยสัมโพธชงวิจัยอยู่ตลอดระยะเวลาโพธชงเจนี่เป็นการเดิน79ก้าพระพุทธเจ้าเดิน79ก้าหลักโพธชงนี่แหละเป็นหลักการเดินไปสู่ความวิสุท ธ, ธิไม่มีหลักอื่น พระยามุนีเจ้าเกิดก็คือโพชชงเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในพระสูตรยืนยันเราตถาคตเกิดโพดชงจึงเกิดโพดชงเกิดเพราะเราตถาคตเกิดถ้าตถาคไม่เกิดโพชชงไม่เกิดแน่ที่สุดพระญามุนีเจ้าเกิดเดินเจดเก้านี้แหละสูงสุดจะบริสุทธิ์ไปถึงอุเบกขาฐานก็ด้วยโพชชงพระยามุูเด้เดินเจ็ดเนกะ้าผู้นั้นเป็นพุทธ ผู้ดไดเป็นพุทธบุตรต้องเดิน79เกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นพระอริยะเราจะเกิดเป็นพระได้ด้วยโพธิชงเราจะเกิดเป็นอริยะได้ด้วยโพธิชงเราจะเกิดเป็นพุทธได้ด้วยโพธิชงราะคําว่าพระพุทธเจ้าเกิดเดินเจ็ใช่เจ็นี่เราเกิดหนึ่งสติ9แรกสองธรรมวิจัย9ที่สองสามอริยะเกที่สนี่โพชิชงสาม ต้องทำนำหน้าอยู่เสมอมีสติแล้วก็มีการวิจัยสิ่งที่ผัสสะทุกอย่างผัสสะและวิจัยเพียนไม่เพียนไม่ได้นะั้นหลุดนะเพลิง่ายนะไม่ได้วิจัยซะแล้วเพลิสติซะแล้วเป็นไปตามที่เคยมีความเคยเก่าเก่าซะแล้วในเลวตกจากโพดชงแนละ้วไม่ได้ก้าวเดินแล้วสะดุดซะแล้วดีไม่ดีถอยหลังกรูดกรดเลยไปเป็นอารมณ์อย่างเคยเป็นปุทุชนที่เสพ ของเน่าอย่างเก่าอย่างนี้ก็ถอยหลังเพราะไม่เอาต้องเพียรตั้งใจวิริยะให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพรรษาต่างๆและวิจัยโอ้อันนี้เราไม่เอานี่นี่มันเกินเอ้ยนี่มันผิดศีลเราแล้วไม่เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วิจัยให้รู้ว่าอย่างนี้ดีเป็นสุจาระให้เป็นสุจาระอยู่เสมอเสมอเสมอ ทำอย่างนั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการงานการกระทำทางกายกรรมมันตัดไปว่าการงานทั้งหมดไม่ได้แปลว่าแต่กายกรรมเท่านั้นทั้งคิดทั้งพูดทั้งกายกรรมเรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาก็คือทำให้พอเหมาะได้ทำให้ลงตัวดีขึ้นดีได้เรื่อยเรืยในว่าสัมมาทั้งเห็นทั้งทำได้เห็นนีืไม่คำ ว, ว่าแจ้งในใจของเราเข้าใจของเราอยู่ เห็นแจ้งอยู่แล้วเราก็ทั้งทําให้ตรงตามที่เราเห็นแจ้งทําได้มากๆเรียกว่าอาชีวะเราปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพแม้เราจะเป็นพ่อค้าแล้วก็ขายของแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพด้วยการขายของวาจาของเราไม่เป็นมิจฉาวาจาของเราไม่เป็นทุจริตเราไม่โลภมากเราจะใช้ทฤษฎีกําไรขาดทุนของอารยะและเป็นทฤษฎีที่จะต้อง ยิ่งกําไรก็คือยิ่งเอายิ่งเอาของเขาน้อยให้เขาได้มากๆนี่ของของเราซื้อมาขายซื้อมาด้วยราคาสด30ค่าแรงของเราอีก30มสิบขายค่าแรงของเรา30นะซื้อมา30ขาย40ได้กําไรตั้ง20แล้วฟังนี่ดีนี่พูดง่ายๆสันๆส้นๆก็เราพูดกันซับซ้อนพูดกันซ้าเสมอ ของซื้อมานี่อันนี้ซื้อมานี่เอาเงินเช็งไป30ค่าแรงหรือค่าขนค่าอะไรรวมเป็นสานั่นแหละค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าวัสดุ30ค่าแรงงานของเราอีกทั้งแรงงานกายและแรงสมองอีก30สิ ม, มุติราคานี่อันนี้60สิแหละขาย40กําไร20สบายสบายทำยังไงแต่มาจะพบคุณทาววอรแล้วสอนทฤษฎีกําไรขาดทุนเหล่านี้ให้แกเขาเหล่านั้น แล้วเขาจะได้ไปทําการค้าที่ถูกทำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้จะลดลงทันทีจะเจริญขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันทีในสังคมไทยหรือสังคมพุทธทําอย่างไรเขาจะเข้าใจทฤษตีอย่างนี้เขาไปเข้าใจแต่เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เศรษฐศาสตร์นายทุนเศรษฐศาสตร์นายทุนเศรษฐศาสตร์ศักดินาเขาไปกําไรแต่เศรษฐศาสตร์แบบนั้นแต่ถ้า คนเหล่านี้ที่เป็นผู้ลุมอำนาจการค้าเข้าใจทฤษฎีการค้าอย่างนี้ทุกอย่างก็จะลดลงมาพลอยลดลงมาตามหมดเลยคนเหล่านี้กลุมอำนาจกลุมอำนาจการค้าเอาไว้เสร็จแล้วเข้าใจทฤษฎีไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเขาใจทฤษฎีอย่างนี้นะโอ้โหสบายมากแล้วเขาก็จะมีบุญยิ่งกว่านี้ ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้ใช้ทฤษฎีนี้เลยเขาใช้แต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เขาซื้อสิ่งนี้มาด้วยทุนสามสิบค่าแรงงานของเขาควรจะสามสิบเขาก็จะหลงตัวเขาบวกค่าแรงงานของเขาเข้าไปเป็นร้อยหนึง่งเขาก็ยังว่าน้อยไปเขาจะตีราคาค่าแรงงานของเขาแรงสมองแรงงานของเขานี่เขาจะตีสูงเลย แล้วเขาก็จะบวกว่าสิ่งนี้ฉันจะต้องขายถ้าสมมุติเขาตีค่าแรงงานของเขาอีกร้อยหนึ่งซื้อมา30มสิบหรือค่าวัสดุ30เขาจะว่าไอ้นี่มันร3 0ยเป็นทุนแล้วเสร็จแล้วเขาจะขายยังไงรู้ไหมเขาจะบวกอีกร3 0ยเป็น260กของนี้เขาจะขาย260นี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นี่เขาถือว่ากำไรร้อย30เพราะเขาหาักค่าทุนไปเป็นหักค่าแรงแรงของตัวเองไปเป็นทุน หากค่าวัตถุน่แน่ๆอยู่แล้วค่าวัตถุก็ต้องหักไว้เป็นทุนค่าแรงเขาก็จะหักไว้เป็นทุนอีกแล้วเขาก็จะบวกกําไรมากเท่าไรเขานึกว่าได้กําไรมากเท่านั้นมีแนวโนม้มความคิดเห็นอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ขาทําทไมเขาจะไม่ได้วัตถุแลกเปลี่ยนมาหรือเรียกว่างเงินมากเล่าเขาจะต้องได้เงินมาม า, มากแน่นอนสิเขาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินเป็นหลวเป็นถังเป็นถังเป็นถังชาติหน้าเป็นควายอีกไม่รู้กี่ชาติ ว่าจะใช้หนี้หมดพอเขาไปขูดรีดจากสังคมมาเป็นหนี้นะฟังดีๆนะถ้าคุณเข้าใจธรรมะแล้วคุณจะรู้เลยคุณจะโอ้โหคนรู้คนผองคุณจะไม่ทําอาตมาจะไม่ทําเป็นเด็ดขาดเลยและอาตมาจะไม่กลัวเกิดชาติหน้าคาบช้อนทองออกมาแงอาตมาพออาตมาไ ม, ม่ขูดรีดสังคมนี่ก็ดระชาหน้าอาตมาคาบช้อนทองออกมาจริงๆแต่ไปขูดรีดชาตินี้เข้ามาแล้วก็เอามาเท่าไร่เท่าไหรเท่าไรแล้วเกิดมาชาติหน้าคุณไม่ได้คาบช้อนทองหรอก คุณเป็นงัวเป็นควายก็ยังจะน้อยไปนะจะเป็นหมัดเป็นเลนนนะ่ะนะจะเป็นหมัดเป็นเลนจะเป็นใส่เดือนจิ้งกือนี่กว่าจริงๆริงนะเนี่ยแต่มาพูดนี่ม่เป็นอจินไตแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วไม่ใช่อจินไตคุณเข้าใจธรรมะแล้วคุณนึกคิดถึงเลยอ๋อคนทําบาปทํานี้เองแล้วคนกอบโกยนี่เขานึกว่าเขากําไรนะ ด้วยความเผลอนี่ยเขาคิดว่าเขากําไรแต่โดยสัจจะเมื่อคุณเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วคุณเข้าใจด้วยปัญญาแล้วยังถึงสัจจะแล้วที่พูดนี่มีเหตุผลไหมคุณคิดดีดีชัดไหมว่าอ๋อเราเกิดมาเสียสละนี่เป็นบุญเรามีทานเราได้ให้เขาเนี่ยค่าแรงงานของเราความคิดเราเรายิ่งตีราคาถูกเท่าไหร่เอาเธอเอกการกําหนดค่านี่นะมันกําหนดกันสมมุติกันเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไรก็ได้แม่เราจะฉลาดฉลาดคิดได้ สูงส่งคิดได้แก้งแก่งคิดได้ของผลิตดีดีเราตีราคามันถูกเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นกําไรโดยสัจจะของเราลองคิดราคาถูกเท่าไหร่อย่าไปคิดแหมหลงตัวค่ามันสมองของฉันต้องแพงไม่ต้องคนอื่นก็ตีให้แพงก็ได้แต่เรายิ่งตีของเราถูกเรายิ่งมัดน้อยยิ่งมัดน้อยสมมติว่าโลกเขาคิดแหมคนคนนี้เยี่ยมเลยคิดแหมสิ่งนี้พิเศษมาดูสิเขาคิดเลนส์ออกมาโอ้โหเลนส์อย่างแจวเลยคิดมีประโยชน์ตอ่อสายตามนุษย์ ควรจะให้ค่าความคิดของเขาถึงร้อยแต่เราไม่ถือไม่ถือไม่ยิงไม่ใหญ่คิดราคา10บก็พอนะราคาของเราคุณก็ต้องในกําไรเขากรตีให้ตั้งลอยเก้าสนั้นมันก็เป็นของเราง่ายๆอยู่แล้วพราะโลกเขาตีให้มันก็ยิ่งเป็นกําไรส่วนเรายิ่งมักน้อยเราอาศัยแค่สิบก็พอเลี้ยงชีวิตไหวไหมคุณได้ค่าแรงค่าความคิดสิบคุณเลี้ยงตัวไหวไหมคุณทําตัวกินน้อยใช้น้อยได้แล้ว คุณก็สิบคุณก็ไม่ต้องโลกมากอะไรแล้วคุณก็ให้แก่โลกการได้ให้เป็นบุญการเสียสละเป็นบุญมันไม่ข้านแยงกันเลยมันเป็นสัจจะก็เราก็ได้ทําบุญอย่างนี้คุณจะเก่งเท่าไรเชิญเก่งสิพระพุทธเจ้าไม่ไม่ห้ามคนเก่งเก่งเก่งผลิตเชิญสิ่งนี้จําเป็นของมนุษย์ผลิตขึ้นมาให้มนุษย์ได้รับประโยชน์คุณจะผลิตเลนแว่นตาเชิญคุณจะผลิตแว่นแวนตานให้มันเบาให้มันง่ายใสแล้วก็แหนแถวคลอง ยังก็ไม่ได้ใสแว่นตาเบาเหมือนกับคนธรรมดาอะไรเชิญสิแล้วไม่ต้องไปปลอมหร่กจะต้อ ง, องไปต้องไปแปลงอันนี้งามก็โอเคนะนี่อย่างนี้เป็นตันไม่ต้องไปปลอมไม่ต้องไปปรุงว่างามนะอย่างนี้ทันสมัยนะอะไรไม่ต้องหลอกเขามากหรอกทำยังไงมันจะแนบเนียนแหมได้ใส่แล้วดีเป็นประโยชน์เบาง่ายเหมือนกับไม่ได้ใสแว่นตาอะไรอย่างนี้เป็นประโยชน์ที่มันจะสบายแก่มนุษย์ ไม่ใช่ไปปรุงไปทําให้มันงามมันแงะปรุงเป็นรูปเป็นนั้นก็โคดศากันแล้วก็ห ล, ลงกันไปอันนั้นแหละเป็นไปนในทางสังขารแต่ส่วนที่จะให้ประโยชน์สูงแก่มนุษยชาตินั้นก็เป็นอิกทิศทางเราจะเป็นนักคิดนักผลิตนักทำอไอเชิญพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามการผลิตไม่ได้ห้ามการทํางานไม่ไดห้ห้ามการที่จะพัฒนาที่จะวิมังสา ที่จะคิดคนที่จะสร้างสรรอะไรเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติท่านไม่ได้ห้ามจึงเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนเดิรถีนั่งกดเป็นสมาธิแล้วก็พอเป็นผู้สงบหลุดพ้นแล้วก็นั่งเฉยจนไม่ลืมตาใครเขาเข้ามาหาก็นั่งหลับตาเออเป็นไงโยมมาเลยเอพระฤาษีนี่ทำไมไม่ลืมตาเลยถ้าลืมตาสงสัยมันจะไม่บ้านไม่เมืองเโอโหฤาษีนี่ตาไฟแน่เลย แม้แต่แลืมลืมตาก็ไม่อยากลืมนี่ศา ส, สนาเดรธีมันเป็นอย่างนั้นแต่ศาสนาพุทธไม่เป็นมีประสิทธิภาพแค่วคล่องว่องไวมีมุทุภูเตถ้าเผื่อว่าเป็นฌานจิตฌานนี่จิตแค่วคล่องว่องไวปราดเปรียวรู้เท่าทันเหมาะในการงานกรรมนิเยทีเตอเนชัปปเตมีอภิน ญ, ญามีอิทธิวิธีสามารถจะปฏิบัติทาไปพร้อมกับอาชีพการงานมีสัมมาอาชีวะและในอาชีวะ ก็อธิบายให้ฟังสองความหมายความหมายหนึ่งคือเราทําอาชีพทําการงานอะไรอื่นๆใดๆอยู่กับโลกเขาได้มากๆอยู่ก็เป็นงานเป็นอาชีพ2เราทําเรามีพฤติกรรมที่ทําให้อย่างใดอย่างใดก็ตามที่มันมากอย่างนั้นเรียกว่าอาชีพคือในชีวะวันหนึ่งวันหนึ่งในชีพที่ยังดิ้นด๊อกแดกอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเราทําอย่างนี้ได้มากถ้าเราก็ทํางานกับโลกด้วยเป็นพ่อค้าก็ขายของ เสร็จแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมมีสติปัญฐามีมรรคองแปดปฏิบั ต, ไบติได้บุญอยู่ตลอดเวลาได้บุญอยู่ตลอดเวลาคุณก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอาชีพแม้จะมีการเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปประกอบกันคุณก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีการปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพด้วยไม่แปลกเลยคุณเป็นนักเกษตรก ร, ร, กรคุณทำกเกษตรกรรม เมื่อคุณทำเกษตรกรรมแล้วคุณก็ปฏิบัติทำไปด้วยมีสติสัพชัญญาไม่ให้เกิดผิดศีลผิดธรรมศีลห้าศีลแปดอะไรของเราบางคนศีลแปดนะเกษตรกรเกษตรกรบางคนศีลแปดมันมีข้อที่น่ า, นาทวงติงอยู่อันนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรนี่มันก็ต้องไปฆ่าสัตว์มันต้องฆ่าใส่เดือนมันต้องไปเจออะไรอะไรบ้างเราไม่ได้เจตนาเราไม่ เราจะต้องพยายามทําอย่างไรเราจะไม่ต้องฉีดไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทําลายแมลงเราจะมาพัฒนากันนี่มีคนตั้งกอสังเกตโดยเฉพาะคุณสสิทธรเคยพูดไว้แล้วเป็นนักโภชนาการที่ว่าเราจะทํายังไงเราจะพัฒนาปลูกผักปลูกพืชอะไรนี่โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฉีดเพราะมันเป็นพิษทั้งร่างกายมนุษย์และมันทั้งฆ่าสัตว์เราจะทํายังไงเราจะมาช่วยกันพัฒนาที่มันต้องฉีดเพราะอะไร เพราะแมลงนี่มันก็เกิดแต่คนไปตัดป่าตัดอะไรตๆลงแมลงมันก็ต้องมาหาต้นไม้ต้นไม้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองบ้างอยู่ในป่าก็น้อยลงมันก็ไม่มีที่จะพักพิงน้อยลงมันก็มาตอมมาเติมมันก็เข้ามาหมดเราปลูกผักอ่อนผูกผักอะไรเขามันก็ต้องมาตอมกินเพราะแมลงมันก็ต้องกินแต่ก่อนมันไม่เคยมีเพราะมันมีป่ามันอยู่ที่ป่ากินยอดไม้ในป่ามันก็พอกินพอเลี้ยงตอนนี้มันป่าก็ถูกคุดมันก็ต้องหากิน มันก็มาเจอไอ้ผักอ่อนที่เราปลูกผักแปลงผักอะไรมันก็ลงมันก็ต้องมากินแต่ก่อนที่ปลูกผักปลูกพืชไม่ต้องฉีดยาเพราะแมลงมันไม่ไม่มาลงกินมากมันเป็นธรรมชาติที่เราได้ผานกันลงไปมากแล้วแต่ทำอย่างไรเราจะสามารถไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันมาตอมันให้มาได้เรวก็หาทางที่จะป้องกันแทนที่จะฆ่าป้องกันให้มันได้เราจะทาอย่างไรก็ต้องมาช่วยกันคิด ว่าต้องป้องกันอย่างนี้สะ ก, ก่อนสะ ก, ก่อนสะ ก, ก่อนมีทั้งวัตถุป้องกันมีทั้งจะเป็นยาที่มันไม่ทำลายเราเองบ้างอะไรบ้างอันนี้อาตมาก็ไม่พูดเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดแต่มันเป็นข้ออนุโลมอยู่ว่าคนที่ฐานนะเอาละคนที่ฐานนะเกษตรกรก็แน่นอนละจะสะอาดบริสุทธิ์เกินกว่านั้นไม่ได้แต่บุญคุณของเกษตรกรนั้นบุญของคนที่ปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรอะไรต่างๆนานามาเลี้ยงคนต่างๆนี่ ถ้าในโลกนี้ไม่มีเกษตรกรนะไอธรรมชาติผักพืชที่จะต้องกินกันนี่มันไม่พอมันนานแล้วมันถึงเกิดเกษตรกรรมขึ้นมันไม่พอให้มันเกิดเองเป็นเองผลิตแล้วเราก็ไปคนก็ไปเก็บมากินมันก็ยังเหลืออยู่ในโลกมันไม่พองานเกษตรกรรมจึงต้องเกิดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมจึงเป็นตัวตัวแทนธรรมชาติอันนึง ที่มาผลิตอาหารให้คนนี่อยู่กินถ้าไม่ผลิตเลยคนมันตายหมดแล้วนี่มันไม่เหลือเท่านี้แล้วมันฆ่าแกงกันหนักกว่า น, นี้อีกเพราะมีเกษตรกรการฆ่ากันจึง น, น้อยลงถ้าไม่มีเกษตรกรเลยมันฆ่ากันมันแย่งเงินกินกว่านี้เพราะฉะนั้นสงครามไม่เกิดทุกวันนี้เพราะเกษตรกรคุณฟังดีๆสงครามไม่เกิดทุกวันนี้เพราะเกษตรกร ถ้าไม่มีเกษตรกรสงครามเกิดก่อนนี้อย่าว่าแต่สงครามเราเจอหน้ากันันแยกเขี้ยวใสกันแล้วป่านนี้เพราะเกษตรกรได้ผลิตอาหารซึ่งคุณต้องกินทุกวันมาให้แก่เรากินจึงขอให้พวกเราต้งทราบซึ่งและบูชายกย่องกราบเกษตรกรเอาไว้ให้มากในโลกไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นทุกประเทศต้องกินสิ่งผลิตที่เป็นอาหารผลิตออกมาจากพื้นดิน เรียกว่าเกษตรกรรมเพราะเกษตรกรนี่เลี้ยงโลกถ้าไม่มีเกษตรกรเกษตรกร strike ไ, ไม่ทํานาตายหมดทั้งตัวกเกษตรกรเองก็ตายแต่แกเองแกอาจจะมีเหลือของแกแกสร้างไว้ปลูกไว้ตั้งปีที่แล้วก็จะเก็บกินของแกได้แกมีสิทธิ์มีส่วนคนอื่นไม่มีกินตายไม่มีเหลือเผื่อไปให้ก็ตายทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้โหคิดจะดหัวออกไปนอกโลก ก็กินของเกษตรก ร, กรทําทั้งนั้นเลยอย่าไปกินอะไรกินปร์ตเมนูได้ไหมกินได้ไหมปรม์ตเมนูราคาแพงนะปาร์ตเมนูใส่เข้าไปในจรวดแล้ววิ่งออกนอกโลกกินได้ไหมละประ์ตเมนูกินก็ไมดีกินไม่ได้หรอกนะตายนะเพราะงั้นถ้าเผือว่าเราไม่รู้แล้วเราว่าไม่เข้าใจว่าต้องให้เขาทําเกษตรกรรมแม้จะฆ่าสัตว์บ้าง แม้จะทําสัตว์ให้ตายบ้างพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าให้เข้าข้างเกษตรก ร, กรแล้วก็เลยโอ้ยฆ่าสัตว์เลยไม่กลัวบาปไม่ใช่นะจะมองว่าช่วยกันคิดเราจะทําอย่างไรเราจะมา ร, มระวังไม่ให้มันตายโดยไม่เจตนาไม่ต้องฉีดไม่ต้องฆ่ า, มาแมลงเราจะทําอย่างไรแต่มันก็ต้องทําก็ต้องทำแหละเพราะมันมีคุณของโลกการปลูกผักปลูกพืช ก, การทําเกษตรกรรมขึ้นมาไว้ทํามาเลี้ยงโลกครูทั้งหลายเนี่ยเอาแต่สอนหนังสือนี่ทําเกษตรที่ไหนลอง จะพอกินไหมล่ะปลูกผักข้างบ้านบางสองกอสามกอพอกินไหมล่ะไม่พอก็ต้องอาศัยกเกษตรเขาต้องผลิตข้าวต้องผลิตผักผลิตพืชผลิตผลไม้อะไรมากินกันไม่พอยิ่งเราไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกไปเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงงูมากินเรายิ่งเอาเวลาเลี้ย ง, งัวไปเลี้ยงไปปลูกพืชปลูกผักนะปลูกพืชปลูกผักใช้เวลาน้อยเกิดเร็วแล้วก็ได้กินเลี้ยงชีวิตไปแต่ละวันเหมือนกัน เราจะได้พลังงานนั้นไปปลูกผักปลูกพืชแทนที่จะมาเลี้ยงงวแลวเอามาฆ่ากินกันเงินแพงเป็นเรื่องของระบบนายทุนอีกเราเอาเวลาแปลแรงงานจากเลี้ยงงวไปปลูกผักคนก็จะมีอาหารกินแล้วก็มาสร้างสํานึกให้คนไปกินผักสิอย่ามากินเนืงง้องวคนก็จะยิ่งสบายเบาว่างและเร็วธรรมชาติก็จะหมุนเวียนเร็วเพราะว่าพืชหมุนเร็วกว่าสัตว์มีภาวะยาวนานสัตว์กว่าจะได้กิน เขาเคยเทียบค่ามันหนึ่งต่อ9กหนึ่งต่อ10บยังไงเนี่ยเขาเทียบค่ากันเนี่ยพืชกับสัตว์นะเพราะาเรื่องพวกนี้เป็นรายละเอียดที่ซับซ้อนที่อาตมาพูดแทรกลงไปให้เห็นว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราช่วยสังคมเราช่วยมนุษยชาติเราก็สบายโลกสังคมก็จะแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราปฏิบัติไม่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าท่านแนะไว้นะีเราจึงไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ขอสรุปว่า ชาวนาแม้จะฆ่าสัตว์บ้างก็จงพยายามหลีกเลี่ยงให้สูงสุดแล้วก็ต้อง ท, ทําเถอะเพราะว่าการทํานาทําไร่ทําปลูกพืชปลูกผักต้องทําเลิกไม่ได้ล้างไม่ได้ใครไปตู่ว่าเอ้ยชาวนากินข้าวกินผักกินพืชมันก็ต้องบาปมือนกันแล้ววะก็กินผักกินพืชก็เขาเลิกกินสัตว์ตรงๆมาแล้วเขามากินผักกินพืชมันก็ต้องกินไอสัตว์ที่ตายบ้างมันก็ต้องเป็นเครื่องไปเชื่อมโยงกับสัตว์ที่ตายบ้าง ก็เท่านี้แต่พวกคุณล่อทั้งเนื้อสัตว์ล่อทั้งพืชด้วยแล้วมาว่าเราซึ่งกินแต่พืช <c oughs> เอ๊ะทาไมซึ่งช่างพูดจัดเยียดเอาเปรียบนักตัวว่าใอย่าเลยนะมันก็ไอเรียงไม่พ้นกินทําให้สัตว์ตายมันกันละวะกินพืชกินผักน่ะตัวเองเนะี่ยเคี้ยวเนื้อก็กล่อมกล่อมเลยแล้วไม่ด่าตัวเองมาด่าเราว่าเรากินพืชมันก็ไอทําสัตว์ให้ตายมันกันละวะก็จริงมันก็ตายแล้วแต่มันก็ได้จํานวนที่ สุดวิสัยเหลือน้อยใช่ไหมแต่ตัวเองก็กินทั้งผักทั้งพืชผลไม้นั้นซึ่งก็ทำให้สัตว์ตายด้วยผลลอทั้งเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อช้างด้วยนี่แล้วไม่ด่าตัวเองเออเนี่ยคนเรามันไม่คิดไม่ละเอียดมันเป็นเงี้ยถ้ามากแกล้งแล้วพวกคุณก็ไปถูกเขาว่ากับจำนวนแมนะจริงด้วยนะเราก็ต้องกินพืชแล้วมันก็ยังทําให้สัตว์ตายก็เขานะ่ะกินเนื้อสัตว์ด้วยนะมันสองตายพืชเขาก็กินนะไม่ใช่พวกกินเนื้อสัตว์นี่ไม่กินพืชนะ กินนะกินพืชพลไม้เหมือนกันนะพวกกินเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะงั้นเขาเลินทั้งสัตว์ตรงๆเลยแล้วก็หลอดทั้งพืช ด, ด้วยสองตายก็เรามากินแต่พืชนี่ตายเดียวเอามอาแล้าคุณก็เลิกมาสิเลยมาสองตายมาอยู่ตายเดียวนี่มันสุดวิสัยที่เราจะเลี่ยนได้อย่ามาตู่กันอย่ามายัดเยียดเสียดสีกันให้มากนักเลยถ้าอาจจะยัดเยียดเสียดสีกันให้มากนักมันก็ไม่มีทางรอด เพราะฉะนั้นกกเกษตรอย่าปลูกข้าวอย่าปลูกผักเลยตา ย, ลาลตายก่อนเลยคุณนะตายก่อนเลยเก็บหญ้ากินก็ไม่ได้จะกินแต่เนื้อกวางเนื้งงัวเนื้อค ว, วายตายก่อนจะไม่เหลืออะไรพอที่กินเนื้อสัตว์ตายแง่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเพรา ะ, ะเราเองพยายามทําแนวโน้มมาในจุดที่มันสมบูรณ์มันถูกแล้วคนเราเคยยังชีวิตไว้แค่นี้สมบูรณ์แล้วพอแล้วย่าเลยเถิดจะบานปลายมากนักเลย ถ้าเลยเถิดบานปลายไปมันก็ยิ่งเฟ้อมันก็ยิ่งฟ้ามแล้วโลกก็ยิ่งหลวมไปในสาระถ้ก็เลยไปกันใหญ่ในทุกวันนี้เราไปอะไรก็ไม่รู้พูดกันจะหุบเข้ามาหาแก่นสารก็หุบไม่ลงเที่ยงชดชดๆดชจะกินทําไมเนื้อก็กินไปสิก็ทุกขคค์กังวลเราก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้ ว, วกินเนื้อมันเป็นโรคมากกินเนื้อมันแพงมากแล้วคุณก็อยากกินแพ ง, แพง ก็ช่างเถอะช่างคุณเถอะคุณก็หนักของคุณเองคุณก็เหนื่อยของคุณเองเราพูดนี่บอกเนี่ยเพื่อให้คุณเบาลงเพื่อให้คุณง่ายลงเพื่อให้คุณบาปน้อยลงเพื่อให้คุณสบายขึ้นมากแต่คุณไม่เอาก็ตามใจคุณเราแนะแนะด้วยปัญญาแนะด้วยความเมตตาเกื้อกูลปราถนาดีแต่เขาไม่เอาก็แล้วไปนะหลังผู้ใดรู้ผู้ใดศรัทธาเรื่มใสเข้าใจมา ช่วยกันสร้างสังคมใหม่สังคมนี้ถ้าจะเรียกอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสังคมยูโทเปียเนี่ยเรามาสร้างสังคมยูโทเปียสังคมเรียกอย่างภาษาของพระพุทธเจ้าเราเราเรียกว่าสังคมพระศีอ่านเราจะสร้างสังคมพระศีอ่านขึ้นมาพระศีอ่านเป็นคนที่เหมือนกันเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่เรามีความรู้สึกนึกคิดตรงกันเข้าใจถูกว่าอย่างนี้เป็นสมาธิตรงกัน เข้าใจว่าทานนี้ดีเข้าใจว่าพิธีการที่เฟอ้อพิธีกรรมที่เฟอ้อเราตัดออกเราสวดมนต์แค่นี้ก็พอแล้วเพราะสวดมนต์แค่นี้ก็เป็นการสร้างเวยบุญคุณสังเวยพระพุทธเจ้าพอแล้วเมื่อกี้เนี่ยเทิดทูนพระพุทธเจ้าดีเนาะถ้ามีพระหุงแปดดีเนาะชยันโตท่านเพราะเทิดทูนท่านแค่นี้ก็พอแล้วถ้าแปลความก็ท่านดีอะไรมีอย่างไรก็อธิบายความอยู่ในพระหุงแปดก็มีอยู่แล้ว ช ย, ยันโตก็มีอยู่แล้วในความหมายเราก็ปฏิบัติตามท่านอ๋อท่านเป็นอย่างงี้เหรอท่านฆ่ามารพันมืออย่างงี้เหรอเออท่านสู้กับมารยักษ์อะเราว่าก็ยักษ์ท่าอย่างนี้เหรอเออท่านสู้กับช้างตกมันที่เป็นเดริชนันโหดร้ายเมาหมัดเมามันจนช้างนี้เชื่องเมตตาหยุดสยบอย่างงี้เหรอ คุณศึกษาสิแล้วคุณทําตนให้ได้เป็นอย่างท่านเดินตามรอยพระยุคอรบัดเพราะาเรา ส, สวดมนต์แค่นี้ก็พอแล้วและเราก็ไม่ได้สวดประเภทผิดศีลผิดวินัยมันไม่ใช่ธรรมบทนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมบทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เป็นร้อยกลองที่เกจิอาจารย์มาร้อยขึ้นมาเป็นคําประนามคาถาประนามคาถาแปลว่า คำร้อยกลองที่สรนเสริญภาษาบาลีประนามแปลว่าสันเสริญพอมาเป็นภาษาไทยมันแปลว่าดูถูกประนามแปลว่าดูถูกแต่ในภาษาบาลีประนามแปลว่าสันเสริญยกย่องเชิดชูบูชาเรามาสวดประนามคาถาพระพุทธเจา้าเชิดชูบูชาพระพุทธเจา้าเพราะคำนี้เป็นคำคาถาประนามคาถาเราไม่ได้ท่องธรรมบด เพราะฉะนั้นเราท่องสองคนขึ้นไปสามคนขึ้นไปสวดพร้อมกันนี่มันไม่ใช่ธรรมบทไม่อาบัตไม่ผิดเราทำได้ทุกคนมาร่วมกันเชิดชูเทิดทูนเปล่งประนามคาถาเปล่งคำสรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชิญอิติปิโสก็ดีสวากขาตธรรมก็ดีสุปฏิปโนก็ดีเราก็เทิดทูนประนามประนามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าฟังโดยความหมายความรู้สึกของไทยๆเฮ้ทยทำไมไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะแต่ถ้าฟังโดยคำแท้คำของจริงเราสันเสริญประนามนี่แปลว่าสันเสริญยกย่องเชิดชูบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราทำแค่นั้นพอแล้วนี่เป็นยันยพิธีอาตมากำลังดึงลงมาห า, าศาสนาพุทธอันเก่ามหากลองอานกคใบเก่า คนก็หาอัตมารในนอกรีดอาตมาก็ฟังเหตุผลที่เขาว่าอาตมานอกรีดมีเหตุผลอย่างไรบอกมาอาตมาจะเอามาเทียบกับเหตุผลที่อาตมามีถ้าคุณถูกอาตมาจะแก้ตามถ้าคุณไม่ถูกอาตมาจะทําอย่างที่อาตมาเห็นแน่ว่าถูกและอาตมาจะพิสูจน์และอาตมาจะให้คุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์สังคมนี้จะพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ลงตัวแล้วคุณก็เห็นตรงกันเป็นสมาธิถีอว่าถูกแล้ว พอเหมาะแล้วสบายแล้วเป็นสัมมาแล้วเพราะฉะนั้นกรรมมันตะเราทําแค่นี้ก็พอมียถังมียัญยปิธีแค่นี้ก็พอมีหูตังมีการสังเวยศาสนาสังเวยพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็พอนอกนั้นสาธยายเทศนามนธทำวัดก็คือเทศนาหนึ่งกราบเคารพ บ, บูชาคุณถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประธานในบรรณศาสรากราบคารวะพระพุทธเจ้า การคารวะผู้ใหญ่การกราบคารวะผู้ใหญ่เป็นการทำวัดชนิดหนึ่งการสาธยายมนเป็นการทำวัดอีกชนิดหนึ่งทุกวันนี้ทําวัดก็มีแต่มันน้องท่องสวดธรรมบทพร้อมกันญาติโยมก็สวดด้วยนอกจากบทปนามคาถาแล้วยังมีบทธรรมบทไม่รู้ธรรมบทกี่บทเอามาสวดกันเล่นหมดเลยอาบัดกันอยู่ก็ไม่รู้เป็นของเล่นก็ไม่รู้ธรรมบทท่านไม่ให้มาสวดเป็นของเล่น โดยเฉพาะเอาไปเป็นของสวดหากินมันบาปเอาธรรมบทไปสวดแล้วก็เอาเงินมากินมันบาปรับนิมนต์พระรับนิมนต์ไปบ้านสวดแล้วประเด็กกบมงคลเอาแรงมงคล38มนี่ก่อนเพื่อนเลยนี่มันนี่ก็เป็นธรรมบทนะอาสวดมงคล38แล้วก็สวดอะไรล่ะทีนี้ไม่รู้ว่าจะสูตรไหนก็สูตรไหนทำมาจากกัปปวัฒนสูตรอาทิตย์ปริยายสูตรอะไรก็สวดไปเสร็จแล้วรับทรัพย์กินเสร็จแล้วรับส่อง เป็นแยมดูก่อนขึ้นรถปัดท่อให้ยี่สบมาไวส่วนตั้งสี่บทเมื่อกี้นะพ่อค้าแบบนี้นบาปบาปที่เอาทำมาบทพระพุทธเจ้ามาขายกินแล้วยังแถมก็ให้ราคาน้อยต่ด่าเขาซะอีกแล้วกันท่าไระยอต่อพระพุทธเจ้ายังไม่พอยังมาแถมมาเป็นพ่อค้าหน้าเลือดอีกเลยบาปไม่รู้กี่บาปอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดให้ไปเกลียดชังพระแต่พูดให้รู้สัจจะว่าทุกวันนี้ของเราเนี่ออกนอกรีดนอกทาง ทำอะไรมันไม่ถูกแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้นะว่าตัวทําอะไรไม่รู้จริงๆมันน่าสงสารอาตมาเอ็นดูนะอาตมาสงสารที่พูดนี่แม่จะทำอย่างไรหนอจะช่วยคนเหล่านี้ได้พอบอกเขาว่าเขาก็ก็หาว่าด่าเขาด่าแล้วก็โกรธ ด, ด้วยแล้วก็จะฆ่าเราสงครามของอระสุนกับเทวามันมีอยู่นิรันดร์มหาภารตะยุทธ์นี้มันมีอยู่นิรันดร์มหาภารตะยุทธ์ก็คือยุทธการระวังเทวะกับอระสุน มันเกิดอยู่ตลอดนิรันดร์อาตมาไม่กลัวหรอกอาตมากะรามะองค์หนึ่งเหมือนกันจะกลัวอะไรมันถ้าเผอว่ามาสู้กันด้วยสัจจะอาตมาตายไม่กลัวนะเลือดเนื้อร่างกายขันนี้อาตมาไม่กลัวถ้าอาตมาปฏิญญาณถ้าอาตมาปฏิ ญ, ญานตั้งโพธิสัตว์ต่ออีกอาตมาเกิดมาชาติหน้าไม่กลัวเพราะอาตมาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเลยปฏิภาณก็ฝึกฝนอภิ ญ, ญาก็ฝึกฝน ทานก็ทําอยู่ตลอดเวลาแสดงธรรมทานอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งอาตมานี่โอ้โหไม่รู้ทุนเท่าไหร่ตื่นเช้าตีสามมาแล้วธรรมทานแล้วประเดี๋ยวก่อนฉันธรรมทานอีกแล้วว่า ง, างๆก็มาเรื่อยๆในแต่ละบุคคลทานธรรมทานแต่ละคนแต่ละคนส่วนตัวส่วนบุคคลหรือว่ากลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ไปกว่าจะ12ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ธรรมทานอาตมานี่ไม่รู้วันนึงเท่าไหร่คิดเป็นราคาเงินเท่าไหร่ ก็ท่านบอกแล้วว่าสัพทานนางธรรมทานนางชินาติในขบวนการทานทั้งหลายแล้วธรรมทานเนี่ยชนะการทานทั้งหลายแหล่ค่าสูงกว่าอะไรหมดเป็นธรรมะจริงหรือเปล่าเท่านั้นถ้ายิ่งธรรมะจริงก็ยิงราคาแพงใช่มหมยิ่งเป็นสัจธรรมยิงราคาแพงใช่ไหมแล้วตมาเองอตมาแน่ใจว่าจะต้องแสดงสัจธรรมจะต้องพยายามรู้อย่าไปแสดงอสัจธรรมเป็นอันขาดนะระวังนะราคามันพร่องนะ เพราะงั้นเราต้องทำฐานให้ราคาเต็มต้องให้ราคาสูงต้องให้ราคานี่ดียิ่งเพชรยิ่งทองเสมออาตมาก็มีบุญอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอาตมาจะกลัวอะไรชาตินาตายเดี๋ยวนี้เกิดอีกถ้าอาตมาจะต่อชีวิตเกิดอีกชาติหน้าโพธิสัตว์อีกวะจะไปกลัวอะไรเปลี่ยนขันนี่มีฐานะดีกว่า น, นี้มีภูมิขึ้นต้นใหม่เหนือกวเก่าอีกไม่กลัวอะไร มันจะต้องซับซ้อนเป็นบุญสูงขึ้นไปเป็นชั้นต่ออย่างนี้เสมอคุณเสมอเสมอไม่ได้สงสัยเลยอาตมาไม่ไม่มีความหลงไม่มีความผิดอะไรแน่ใจเพราะฉะนั้นมันทํางานได้อานหารชานกล้าสบายหัวใจตายก็ตายระวังอย่าใหม้มันสมควรตายมันหามเกินไปหรือว่ามันแรงเกินไปจนเหมือนพระเยซูจนเหมือนพระโซโรเอสเตอร์ที่ท่านเป็นเจ้าของาศาสนาต่างๆแล้วก็ถูกเขาฆ่า เหมือนพระบอบเหมือนพระอะไรซึ่งเป็นตัวอย่างมั้งประวัติศาสตร์หลายหน้าบอกให้เรารู้มาก่อนแล้วท่านแรงเกินไปหามเกินไปเขาก็ข่าเอาพระเยซูแรงไปพระเยซูนี่แรงถึงขนาดพอไปในวัดพอไปถึงวัดเห็นเขาขายเครื่องขายเคราขายของอะไรที่เป็นของหมอมเมาอยู่เต็มวัดพระเยซูก็ไปถึงก็โอ้โหนี่มาขายอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ใจของทางธรรมะ ท่านไปถึงก็กวาดของเขาลงใ้ถุนหมดเลยเนี่ยมันวางอยู่บนต้ะเนี่ยกวาดไปบุตรพระบุตรของพระเจ้าจะมาเผยแพร่ธรรมะเอาของพวกนี้มามอมเมาคนกวาดเขาก็โกรธเลยทีจะมีเรื่องอะไรท่านแรงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นในประวัติของท่านมีนะพวกเราเหมือนกันระวังนะจะตายหนักกว่าพระเยซูนะ ตาอย่างพระเยซูก็ยังพอได้เป็นศาสดานี่เราก็ภูมิไธรรมก็ยังไม่ถึงพระเยซูและยังแถมแอกกิริยาพระเยซูที่พลาดมาแล้วพระประวัติศาสตร์บอกเราเราต้องศึกษาให้ดีเราอย่าไปทําอะไรที่มันแรงเกินฐานที่เราเองแล้ไม่ต้องปัญญามันยังค่อย่อยมีปัญญาปฏิพานค่อยค่อยทำไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ย้ําเสมอว่าเห็นผมแรงอย่าไปแรงตามผมผมมีริด เห็นผมแสดงเห็นผมเป็นช้างขี่ก้อนโตคุณช้างหรือเปล่าแค่หมาน้อยแล้วจะมาขี่เท่าก้อนช้างแตกก้นแตกนะก้นแตกตายนะเป็นหมาน้อยแล้วจะขี่เท่าก้อนช้างตายต้องรู้ตัวเองอัดตันยุตาประมาณตนนะอ้นนี้เตือนเสมอทำไมผมต้องทำแรงก็บอกแล้วผมเป็นหัวหอก ที่จะต้องแหวกแรงแทงเข้าไปผมเป็นผู้รู้ที่ไตรตรองแล้วที่จะติเตียนเขาด้วยศีลผมจะติเตียนผมจะต้องติเตียนด้วยศีลไม่ใช่ติดนอกวินัยนอกธรรมนอกศีลไม่เอาถ้าติดแล้วเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไว้ <c oughs> พราะเขาเถียงมาเลยนี่ไงธรรมากของพุทธเจ้าเพราะเขาก็ถืออันนี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองเราจะบอกว่านี่ฉันของฉันตราขึ้นเองเขาไม่เชื่อต้องมีพระพุทธเจ้าจตราไว้ นี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าผมจะติเตียนผู้อื่นผมต้องระลึกถึงศีลระลึกถึงวินัยระลึกถึงธรรมแล้วมีข้อของพระเจ้ามีข้อไหนจะพอพึ่งก่อนเราต้องไตร่ตรองเพราะฉะนั้นผู้รู้ติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้เสมอผมเป็นผู้รู้ผมติเตียนผู้อื่นผมไตร่ตรองและผมติเตียนผู้อื่นต้องมีหลักศีลผมทําอย่างนี้นะคุณจะทำํำก็ต้องทาอย่างนี้คุณจะเป็นผู้รู้ คุณจะติเตียงคนอื่นคุณต้องไต่ตอนถึงกาละแล้วหรือยังติดเตียงก็ไปแล้วนี่ไหวไหมติดเตียงก็ก็แล้วเขาก็เอามาจิ้มฟันมาจิ้มคุณตายเลยนี่ยคุณจะอยู่ไหวไหมคุณต้องประมาณต้องมีมัตตัญญาตาประมาณให้ดีถ้าไม่เช่นนั้นไม่รอดเพราะการติดเตียนด้วยว่าการที่ผมจะก่าวจับช่วงการที่ผมจะค่อยๆแทงลึกเข้าไปเป็นหัวหอกนําออกไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องหำหำเพลิดเพลินทำแปุ๊บปั๊บปุปั๊ บ, บ, บ, บ, บก็ะทำเข้าไปเล่นเลยไม่แต่ผมต้องแยงเข้าไปเรื่อย ต้องแย่เข้าไปเรื่อยแล้วก็ระมัดระวังอยู่ถ้าจะให้ตีโครม<ฮ>ตีคาวมาเลยเดี๋ยวนี้แห้วโอ้โหพังกันสองวินาทีรับรองคว้ากรดไม่ทันนะรับรองวิ่งออกจากนี่ป่าราาจริงจไม่ได้ยัน่นไม่ได้ยากหรอกรับรองเนี่ยยิงไมโครโฟนดังๆอย่งนี้เลยรับรองซัดเข้าไปสักประเดียวเถอะมากันอาจจะเหลืองใจเต็มนีเลยก็ได้ หรืไม่เหลืองใจแล้ก็พามาเลยตํารวจตํารวจเขาเอามาเลยลพร้อมกันหรือไม่กับคารวะพร้อมกันเลยบอกนี่จะมาทําลายอะไรของฉันาศาสนาของฉันรับรองเลยไม่ยากอแต่ว่าเราต้องประมาณเราจะต้องมีความฉลาดจริงๆเห็นอาตมาทำคารวะเองก็ตามเห็นผมทําท่านนักบวชทั้งหลายแหฉก็ตามต้องประมาณและเราก็จะทําเราจะเปิดเผยธรรมะ ไม่มีเวลาใดที่จะไม่ควรเปิดเผยธรรมะต้องเปิดเผยธรรมะตลอดเวลาให้มากที่สุดแล้วโลกทุกวันนี้ก็ยืนยันให้ฟังแล้วว่าเราจะต้องมาเรียนรู้เราเป็นพุทธเรามีทางเอกเรามีทางที่จะเก็บกิเลสนี้ออกให้ออกจากตะกอนีพอเก็บได้แล้วเก็บได้เลยแล้วน้ำมันจะใสไม่จาเป็นจะต้องมานั่งกดข่มไม่จาเป็นจะต้องมาปิดทวานเรารับรู้ได้น้ามันใสเพราะเราหยิบออกเรื่อย คุณออกมากๆน้ํานั่นมันก็ใสอย่างนั้นแหละเหลือน้อยก็เก็บด้วยเป็นอนุสัยก็เก็บด้วยจนหมดอนุสัยเหลือแต่น้ําแก้วว่างที่ใสไม่มีใครกวนในตายังไงก็ไม่ขุนพระหมดละอองทุลีแล้วกวนยังไงก็เป็นน้ําใสมันหมดละอองทุลีและมันออกไปแล้วมันไม่ต้องมีอยู่ในนั้นจะนอนก้นอ น, น, อ น, นอนนั่นนอนนี่มันไม่มีนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเรียกว่าวิปัสสนาตามฐาน ศีนหาทำไปก็เก็บออกจํานวนหนึ่งศีนห้ายังมีอธิศีนยังมีอริยกันตศีลยังมีปาริสุทธิศีนจนถึงอัเสขศีลศีลต่างๆพวกนี้ที่ยกคําต่างๆมาประกอบเหล่านี้มันเป็นความหมายที่เราจะเรียนรู้ว่าอธิศีลไปยังไงจนกระทั่งถึงอริยกันตศีลเออแม่ดีละเราก็ได้ไปเรื่อยๆเป็นอริยกันตศีลพอใจเราเป็นพระอริยะ ผู้อื่นเป็นพระ อ, อริย์มามองมาดูก็โอ้ศีล น, นี่น่าพอใจท่านปฏิบัติแล้วขัดเกลาเกิเลดหยิบขีฝุ่นออกได้จริงๆได้เรื่อยบางลงเป็นวิราคธรรมเห็นจริงไล่เป็นวิราวิราค า, านุปัติสีวิราคานุปัตตสีลดลงเรื่อยจนนิโรธานุปัตตสีจนเป็นปาริสุดที่ศีลและจะปาดิสุทธิดยังไงปริสุทธิ์หมดถึงปาดิสุทธิ์ที่ศีลสีอีก ได้อีกจนกระทั่งถึงอาชีพกับบริสุทธิ์ขึ้นตามเลื่อนทั้งอาชีพเลื่อนทั้งทุกอย่างแม้แต่หลักเกณฑปฏิโมก์ก็ บ, บริสุทธิอ์อินทรีสังวรกั บ, บริสุทธิ์อาชีพกั บ, บริสุทธิ์ปัจเจกแล้วปัจเจกอีกกบบริสุทธิ์ปัจจัยต่างๆที่ประกอบ ข้มล้อมบริสุทธิ์หมดเป็นบริสุทธิ์ที่ศีลสีอย่างนี้เป็นต้นมันบริสุทธิ์จริงๆนะเมื่อบริสุทธิ์จริงๆแล้วคุณก็ตัดศีลเป็นกระตะา่ายได้ทําแล้วจบแล้วเป็นอาศัยขัดศีลศีลคุณก็เป็นศีลบริสุทธิ์เป็นศีลปกติไปไหนก็มีศีลดลอยไม่ต้องระมัดระวังเลยเป็นอัตโนมัติศีลเพราะเป็นปกติศีลข้อหนึ่งไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องระวังไม่ต้องเพล่ไม่ต้องไพมันก็ไม่ฆ่า ไม่ฆ่าจริงๆเป็นอัตโนมัติโดยอินทรีย์พละโดยวาสนาบารมีเป็นอธิวาสนาแล้วโดยไม่ต้องอดจนๆไม่ต้องทนเพราะว่าเป็นภาวนาใหม่เป็นภาวะอันสมบูรณ์คุณได้ทําแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่โดยพูดขึ้นมาโดยภาษาบาลีองค์ธรรมต่างๆพวกนี้เราสอนกันมาเราพูดกันมาเราอธิบายกันม า, มากแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปฟังใหม่ได้ฟังเพิ่งได้ยินวันนี้ก็อาจจะสับสนหน่อยก็ขออภัย เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะได้อธิบายต่อเพราะการปฏิบัติธรรมด้วยทางเอกทางเดียวที่เรียกว่าเอกยนมัมโครเริ่มต้นในสติปัฏฐานต่อมาเรื่อยปฏิบัติเป็นสมาปทานเป็นอิทิบาท4สั่งสมลงเป็นอินรีห้าพละห้าเดินโพชชงเจ็ดบอกแล้วเก้าด้วยเจ็ดนี่แหละมันจะดีขึ้นเป็นปิติมันจะสงบลงเป็นประสัทธิและมันก็สั่งสมลงเป็นสมาธิ สั่งสมลงเป็นสมาธิสุดท้ายในสมาธินั้นสูง ส, สุดเป็นอุเบกขาฐานอุเบกขาฐานเป็นฐานนิพพานเป็นฐานอัตุขมสุขฐานอัตุขมสุขนี่เป็นฐานที่เหนื อ, touches, อ, ท, นนอทุกเหนือสุขฐานนิพพานอัตุขมสุขนี่เป็นฐานไม่มีทุกไม่มีสุขแล้วพ้นทุกพ้นสุขแล้วเป็นฐานนิพพานอุเบกขาฐานนี่พระาะธรรมโพชฌงเจตอย่างนี้แหะสั่งสมฐานนิพพานแล้วสุดท้ายเราค่อยมาปล่อยนิพพานแม้แต่นิพพานเราก็ไม่หลงนิพพาน ไม่สําคัญมั่นหมายในนิพานไม่เห็นว่านิพานเป็นของเราเมื่อไปเห็นวันนี้ไม่นิพานเป็นของเราเราก็ไม่เกาะนิพานไม่ติดนิพานแต่นิพานมีแน่มีที่เราเพราะฉะนั้นเราก็เป็นบุคคลธรรมดาแต่เรามีนิพานอยู่ในตัวแล้วโดยไม่ต้องไปเทเดแม้นีนจะห่างนิพานเนจะไม่เป็นนิพานแล้วไปเข้าใจนิพานผิดด้วยนิพานคืออะไรคือนั่งเฉยเฉยว่างไอเน่ยมันยังมีนิพานไม่เป็นเลยแม้จะว่างแล้วเราไม่ว่างก็ได้ แต่เราจะดูว่างเมื่อไหร่ก็มีว่างที่เราเพราะฉันรูปประจานกับอรูปปัจจานพระพุทธเจ้าถึงมินเน้นอรูปปัจจานแต่เน้นรูปประจานเพราะรูปประจานเป็นปฏิบันธรรมทิฏฐธรรมสุขวิหารเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยวิหารทิฏฐธรรมสบายแล้วก็ ส, สร้างสรรค์ได้ด้วยนะผู้ที่ฟังเก่าจะเข้าใจลึกขึ้นผู้ที่ฟังใหม่ถ้าได้ฟังขณะ น, นี้ที่กําลังอธิบายด้วยโวหารอย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะ ขอสรุปว่าเราปฏิบัติธรรมในเอกยนมคัคคคือโพธิปักขีธรรม37ตั้งแต่สติปัฏฐานเป็นตัวต้นเราเรียกสติปัฏฐานสก็เอกยณนมคัคครเราเรียกอริยมรรคองแปดก็เป็นตัวสุดท้ายองค์สุดท้ายของโพธิปักขีธรรมจะเรียกท้ายหรือเรียกหัวก็เป็นทางนี้ทางเดียวจงมาปฏิบัติทางนี้เถิดทางอื่นไม่มี ไม่มีท า, Johns มม ท, ามมทางอื่นไม่มีนัตทันโยนัตทันโยทางอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีเห็นหได้ด้ว่าไม่มีทางอื่นนัต enfin ทันโยทันโยนี่ก็คือปัญญาหรือจะแปลว่าไม่ใช่ปัญญาก็ตามคือมันสุดปัญญาแล้วสุดปัญญาเห็นเลยว่าความไม่มีอื่นอีกนัตติแปลว่านัตถาแปลว่าไม่มีไม่มี นัททันโยไม่มีอื่นอีกนี่ท่านบอกไว้แล้วนี่ไม่มีทางอื่นนัททันโยเอเซวะมัคโคนัททันโยไม่มีทางอื่นทางนี้ทางเดียวส่วนจริตดังที่ได้บอกแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีต่างกันบ้างต้องเน้นจุดนั้นจุดนี้ของแต่ละบุคคลย่อมมีเพราะความต่างกันนั้นไม่ใช่ต่างทางเดินแล้วก็มาอ้างว่าบางคนต้องเดินมาทางจะไปเมืองไพรสาลีก็ไปหรือจะไปเมืองมคต คนนึงก็เดินมาทางน้ำคนนึงเดินมาทางอากาศคนนึงไปทางเรือแล้วก็ไปเมืองเมืองมคต ด, ด้วยกันนั่นเป็นการอ้างอิงพูดพลาดพิงแท้จริงผิดพลาดนะปฏิบัติทางนี้โพธิปัจฉิยธรรมสติปัฏฐานสี่หรือมรุกองแปดแต่มันต้องมีด้วยกันหมดนะ่ะสติปัฏฐานสีและมรุกองแปดนี้ประกอบด้วยกันหมดโดยมีศีลเป็นหลักวัฏฐาน ศีลห้าโสดาบันศีลแปดสกิทาคามีศีลเพิ่มขึ้นอีกแม้คุณจะใช้เงินคุณก็จะต้องใช้ข้อที่สิบนี้ด้วยแน่นอนที่สุดคุณจะต้องรู้ของสมมุติในโลกชาตรูประรัชตะปฏิคขณ า, าอย่าเป็นกระโถนท้องพระโค์ปฏิคขณาเ น, นี่แปลว่าเครื่องรองรับถ้าเครื่องรองรับเป็นกระโถนท้องพระโรงขี่หมาก็เอาขี่หมูก็เอารับหมดเลยเขาเอาใบายมุกมาให้ก็รับ ขเขาไอ้กามาก็รับเขาเอาลาบมาก็รับเต็มปีก็ยังรับทะลวงกระโถนลงไปอีกอย่าเป็นปฏิคฆนาทึบปานนั้นปฏิคฆนาแปลว่าเครื่องรองรับเราจะรับอะไรเราก็รับแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสารัตระดูชาติรูปราชตะราชตะเป็นสิ่งที่มีค่ารองชาติรูประเป็นสิ่งที่มีค่าสูงพิจารณาค่าสูงกับค่ารองที่โลกเขาสมมติเราอจะไปหลงของที่เขาสมมติ เคยสมมุติได้ฟังว่าเช่นพระพุทธรูปนี่พระพุทธรูปเราบอกว่าเราเอามาใช้ในวัดถ้าพระพุทธรูปองค์นี้หมายเป็นของมีราคามากโอ้โหคนนิยมนี่มันนี่มันปั้นหุ่นของเชียงแสนเนี่ยพระพุทธรูปองนี้ปั้นหุ่มเชียงแสนอกตันนี่อกตันนะปั้นหุ่นหุ่มจึหุ่นเชียงแสนอกตันเกตตูม แมราคาในเชียงแสนในราคาแพงเหลือเกินันนะถ้าพระพุทธรูปองนี้ราคาแพงถ้าอาตมาเป็นเจ้าของวิหารนี้จะรีบเอาออกจากวัดทันทีนิมนต์เอาไปเลยองนี้เอาไปเพราะมันเป็นของที่โลกที่ราคาสูงแล้วถ้าคืนเอาไว้นานเดี๋ยวหลวงพ่อนอนที่นี่ตายตายจริงๆตายแงๆมีตัวอย่างมาแล้วหลากหลายอย่าเอาของมีค่าไว้ในวัดยาวของมีค่าไว้ใกล้ตัวชาตรูปะ ของที่มีค่าสูงสมมุติของโลกเขาสมมติไว้แพงแล้วอย่าเอาไว้ตายนะไม่ใช่ขู่นะตายมาหลายศพแล้วมันมาปล้นนะมันมาเอานะมันไม่อยากฆ่าเรานะแต่ของนี้มันสมมุติว่าราคาสูงเอาขวยิ่งห่วงไว้เลยนะยิ่งโอ้โหยี่เด้อของโลกเขายิ่งมาตีราคาสูงเรายิ่งรักยิ่งห่วงเดินทางสวนกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจศีลข้อชาตรูปะรัชตะปฏิฆนาไม่เข้าใจศีลข้อนี้ เ่อไม่เข้าใจสินคนนี้คุณก็สะสมของที่โลกเขามีค่าสะสมเพชรสะสมพลอยยังไม่พอใจเอามาใส่สองนิ้วห้านิ้วอวดเขาตายเดี๋ยวก็มือกุ้นรู้จักมือกุ้นไหมรู้ไหมก็รู้ลยสวยอีสาน ร, รู้จักมือกุ้นไหมน่ะคงกุดนี่เดานี่คนภาคกลางก็ไม่รู้ใช่มือกุ้นก็คือมือกุดก็ตัดมือเอาแหวนเพชรไป แต่มันไม่เอามือนะคุณมันโยนทิ้งนะมันไม่เอาประเดี๋ยวเน่าไม่เอามันเอาเพชรเ น, นี่ยอย่างนี้ถ้าเผืาะว่าผู้ใดรู้แล้วไม่ต้องสะสมหลอกเราไม่ได้ดีได้ของส ม, มุดโลกชาติรูปเราไม่ต้องเด่นได้ของส ม, มุดโลกที่ตั้งราคามาในโลกเราเด่นได้คุณธรรมคุณธรร ม, คณณณรรมใครจะต้นปล้นเราไปสิมาสิมาปล้นเราคุ ณ, ณ, ณธรรมาตมาไปเชิญเชิญ นอยากให้มาปล้นรู้เปล่ามาปล้นลคุณธะทำไปอ่ะอยากให้มาปล้นนะแต่ถ้าจะมาปล้นชาติรูปมาปล้นในของมีราคาเนะอย่าอกหักนะมาปล้นแล้วเอาท่ อ, ทอไว้ตบหนะ้าทํำไมไม่มีเงินนะอย่าเข้าใจว่าเรารวยเราล่ํานะปล้นแล้วอกหักแล้วไม่มีอะไรให้แล้วมันมาเตะเราแถมอีกมันไม่เข้าทานะนะ มันตาผู้ใดเข้าใจชาตรูปราชสิตแล้วก็เป็นคารวะาก็เอาหัดลดยาสะสมสิ่งที่มีค่าแบบโลกโลกเขาตีราคายาสะสมเพชรยาสะสมพลอยยาสะสมทองคำยาสะสมวัตถุที่มีราคาเนี่ยแบบนี้โลกมันหลอกเราชาตรูปนี่คือค่าสมมุติของโลกตีราคาตลอดเวลาและเราเองก็หัวหมุนกับมันอย่างนี้ไม่จริงมาเรียนสัจธรรมแล้วมีคุณคุณมีมีสัจธรรม แล้วคุณจะทายเข้ามาปล้นด้วยเช<น>ิญเช<น>ิญเชิญปล้นมเอาคุณธรรมมาปล้นเอาสิเราอยากให้นะอย่างนี้มันกลับกันเห็นไมกับโลกแล้วสบายที่สุดเรามีคุณธรรมเรามีอริยะสมบัติแจกแล้วแจกอีกแจกแล้วแจกอีกเหมือนมะม่วงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่า น, สนแสดงยมกปาฏิหาร ยิ่งแจกยิ่งงอกแจกไปลูกหนึ่งงอกหาลูกแจกห้าลูกงอกอีกร้อยลูกอาตมาแสดงธรรมทุกวันนี้อาตมาไม่เคยตกต่ำยิ่งแสดงธรรมยิ่งแจกธรรมทานยิ่งมีปฏิพานยิ่งมีความลึกซึ้งยิ่งทวีความสูงยิ่งแจกยิ่งเก่งยิ่งแจกยิ่งมากยิ่งแจกยิ่งเจริญ เพราะฉะนั้นทําไมถึงสงสัยว่าอาตมาขยันสแสดงทำขยันแจกธรรมทานก็มันยิ่งแจกมันยิ่งรวยแล้วเรื่องอะไรคนยังไม่ทําเราเมื่อยรื่องแจกเลยฟังดีๆนะไม่ใช่แกล้งนะมันเห็นจริงเห็นจริงยิ่งแจกยิ่งรวยนอกจากมั น, มนเมื่อยแย่แล้วแม้ทอนนี้ไม่ไหวแล้วมันก็ต้องหยุดแต่ถ้าไม่เมื่อยหรือเมื่อยพอทนได้ก็แจกสิยิ่งแจกยิ่งรวย นี่ถ้าเผอว่าแจกไม่มันปานนี้ก็อยากหยุดแล้วบางคนมาบอกเออแจกต่อไปนี่ก็เมื่อยขึ้นไปหลายแล้วนะนี่สองชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไปได้ยิ่งแจกยิ่งรวยยิ่งแจกยิ่งงอกเป็นยมกปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นธรรมะหรืออริยะสมบัตินี้ยิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งเจริญมันต่างกันกับสมบัติโลกคุณแสวงหาอะไรแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐ มาเอาอริยะสมบัติเถิดวัตถุสมบัตินั้นยิ่งให้ก็ยิ่งหมดแต่อริยะสมบัตินั้นยิ่งให้ก็ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งเจริญยิ่งให้ยิ่งงามยิ่งบำเพ็ญยิ่งสะสมแล้วก็ยิ่งแจกยิ่งแจกยิ่งแสดงธรรมนแสดงธรรมในบรรลุธรรมก็ได้แสดงธรรมในยิ่งแสดงยิ่งแจกยิ่งงอกคุณจะรู้เองใช่ไหมรู้สึกตัวไหมจริงๆ ยิ่งแจกยิ่งพยายามให้เขาโดยกายกรรมเราก็ยิ่งประณีตเราทําธรรมะทางกายจะทำให้เป็นกายธรรมที่ดีแนบเนียนประณีตมันก็ยิ่งดียิ่งสุขุมประณีตเราสังวรรวมสำรวมกายเราสํารวมวาจาสแสดงธรรมนี่สำรวมวาจานะพยายามให้เป็นสัจจะอย่าพูดผิดใจ ต, ตรองใจ ต, ตรองพยายามมีสั บ, บริสธรรมเจประการประมาณตนประมาณผู้ฟังประมาณอัดผะประมาณธรรมะชั้นเชิงขณะนี้ควรผู้ใ ด, ดยัง ทำมันยุตตาถ้าควรพูดได้แก็พูดถ้ายังไม่ควรเอาไว้ก่อนมัดตันยุตตาประมาณเสมอบริษัทอย่างนี้บริสัทยุตตาขนาดนี้พูดยังไงได้บุคคลอย่างนี้ปรรูปป ร, รันยุตตาอย่างนี้พูดได้ไหมประมาณมันทําให้เรายิ่งเป็นสัตบุรุษยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสร้างสัตบุรุษให้แก่ตัวเองยิ่งขึ้นทุกทีไป ต้องสังวรตัวเองว่าเราต้องมีหลักสัตยบุรุษเราต้องมีหลักสัพป ร, ริสธรรมเจประการแล้วแสดงธรรมจริงๆถ้าแสดงธรรมไม่มีหลักสัพปริสธรรมเจประการเราชั่วประมาทบวชดีและเสื่อมลงแต่ถ้าเราแสดงธรรมมีสัพปริสธรรมเจประการเราจะยิ่งเป็นสัตยบุรุษที่ยิงย่งยิงย่งยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีไปมีทั้งศิลปะมีทั้งกลมเม็ดมีทั้งวิธีการยิ่งดีขึ้นทุกทีไป ผมแสดงทําให้คุณฟังนี่คุณฟังม า, มากี่เที่ยวแล้วถึงร้อยยังนับไม่ได้หลายร้อยแล้วเบื่อยังยั ง, ยงได้แสดงให้อีฟังอีกก็ยังฟังอีกใช่ไหมมันมีศิลปะมันรับได้มันมีอะไรใหม่บ้างเก่าบ้างปรุงให้คุณกินอย่นี้ผมเป็นพ่อครัวปรุงทําให้คุณกินคุณก็ได้รับอยู่ตลอดเวลาเพราะผมก็ต้องเป็นพ่อครัวที่ปรุงนะต้องมีอะไรอะไรให้คุณอย่างที่เรียกว่าคุณต้องกิน บางทีมีแต่ของเก่าซ้ำซากซ้ำากแล้วก็เละลงเละลงเละลงคุณก็กินอะไรก็กินไม่ลงเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีดีขึ้นมันดีมันชวนมันมีอะไรแต่ใดให้เราได้จริงๆคุณก็เจริญแน่นอนดังนี้นะวันนี้ก็ได้สาธยายทั้งบอกความกว้างว่าโพธิปักเคียร์ธรรมสามสบอกทั้งแนวลึกบางอย่างแจกทั้งสิ่งที่มันพอเข้าใจได้ง่ายๆ ให้ฟังด้วยประกอบนะทางนี้ทางเดียวก็คือทางสติปัฏฐานสี่ก็เป็นตัวหัวอริยมรรคองแปดก็เป็นตัวท้ายของโพธิปักเกียร์ธรรมสามสมีทางนี้เท่านั้นที่จะปฏิบัติในโพธิปักเกียรธรรมสามสมีข้อไหนบอกว่าให้นั่งบ้างให้นั่งปฏิบัติ ม, มีข้อไหนบอกให้หลับต า, บามั่งไม่มีนะแต่ การนั่งการหลับตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะศึกษาได้มีรายละเอียดแต่โดยเฉพาะหลับตานะี่นไม่มีเลยในพระไตรปิฎก45เล่มเคยท้าให้คนมาบอกสิบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติแลวบอกว่าให้จงหลับตาเธอคำนี้หนึ่งคำมีที่ไหนขอให้คนมาให้อัตมามเห็นด้วยรู้ด้วยอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกของท่านให้หลับตามีที่ไหน แม้แต่คำหนึ่งคำที่ว่าให้หลับตามีที่ไหนที่พูดนี้ไม่ใช่จะมาล้มล้างแต่กำลังจะมาวิเคราะห์เห็นสัจธรรมว่าเรากำลังหลงทางกันนะเรากำลังออกนอกทางกันนะเพราะเราจะต้องมาพิสูจน์กันถ้าคุณจริงก็จะได้รู้ว่าจริงถ้าเราผิดเราจะแก้ตามถ้าเราถูกเอากับเรามื่อซีอย่าหาบอกกฎหมายมาฆ่าเราม า, ม า, มากมากนะ เราทำงานเพื่อมนุษยชาตินะเราไม่ได้มาทำมาล่อลอกเอาเงินเอาทองอะไรมาทำงานอยู่ที่นี่ในวันที่น่วันที่สี่งบประมาณที่นี่เรื่องเกินขึ้นไปเท่าไหร่ทั้งทงที่ทำกับมนุษย์นี่ดูสิวันนี้าวานนี้เต็มแน่นวันนี้จะเต็มแน่นอีกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้มีดนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวคนก็มาดูกันได้สมชั่วโมงสี่ชั่วโมงอัศจรรย์ไหมเงิดโบ มันเป็นแตงเงเป็นแตงงอกคือสิตายนี่ตัวไม่ของหน้าดงดดเนื้อแปลว่าอัศจรรย์ไม่ของหน้าอัศจรรย์นะเพราะฉนั้นเรามาพิสูจน์กันสิ่งนี้เราเรียกว่าปาฏิหาริสิ่งนี้เราเรียกว่าของมหัศจรรย์เราทําได้เราจะทําให้ยิ่งขึ้นมาช่วยกันได้พวกเราร่วมมือกันผมคนเดียวผมแสดงปาฏิหารินี้ไม่ได้ ไม่ได้เชื่อไหมไม่ได้ผมคนเดียวผมแสดงปาฏิหารินี้ไม่ได้ผมมีพวกคุณผมมีคุณจำลองผมมีหลายคนช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วเราจะได้แสดงปาฏิหาริ์ที่เป็นธรรมะปาฏิหารนินี้เพื่อเรียกร้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้าคืนมาเราจะได้ก่อนเพราะเราใกล้กว่าอยากใกล้เกลือกินดาน เราจะได้ก่อนและเราก็จะเอาสิ่งที่ได้นี้แหละเป็นสัจธรรมนี้แจกเขาออกไปต่อพืชต่อพันเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุเป็นกรรมปฏิสรโนเราเป็นผู้ทําให้เกิดกรรมโยนิเราเป็นคนเกิดเราจะสร้างพุทธบุตรอีกใหม่เราจะสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าเราจะสร้างลูกแต่ไม่ต้องไปสมสู่ สร้างลูกอย่างนั้นเขารู้นานแล้วล่ะลุงใครก็ทําเป็นสุนักก็ทําเป็นแต่สร้างลูกอย่างนี้เป็นพุทธบุตรอย่างนี้สร้างยากสัตบุรุษเท่านั้นจึงจะสร้างได้เราจะทํากรรมโยนี้คือให้กําเนิดเราจะสร้างกรรมพันธุ์ธุเราจะต่อกรรมพันธุ์ให้มีพันุ์ของพุทธให้มีเผ่าของพุทธเกิด อันนี้จะเป็นกรรมปติสรณโนจะได้เป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติเป็นกรรมปติสรณโนเป็นที่พึ่งเพราะเราทำเพราะพุทธบุตรทำพุทธบุตรแท้ทมจึงจะเป็นที่พึ่งอย่างพุทธแท้พุทธบุตรเทียมทำมันก็เป็นที่พึ่งอย่างของพุทธบุตรเทียมพุทธบุตรไม่จริงเลยก็เป็นของหลอกเลย แต่พุทธบุตรแท้จะเป็นที่พึ่งแท้ได้อย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องพึ่งเงินคุณไม่ต้องพึ่งโลกียะคุณไม่ต้องพึ่งยศคุณไม่ต้องพึ่งสันเซินคุณไม่ต้องพึ่งโลกียสุขคุณพึ่งธรรมะอันเป็นสัจธรรมได้ขอท้าทายสาหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงตรงนี้